สวัสดีทุกท่านนะครับก็ดีใจหมายความว่าดีใจจริงๆนะไม่ใช่แค่พูดตามคำนียมว่าดีใจที่บอกว่าดีใจเพราะว่าผมเองเคยมีข้อสงสัยกับตัวเองแล้ววันนี้จะมาถามเอาความรู้จากพวกท่านผมตั้งข้อสันนิษฐานไว้ข้อหนึ่งโดยส่วนตัว เพิ่งอยากรู้นะแล้วก็จะพิสูจน์ด้วยในวันนี้ว่ามันเป็นอย่างที่ตัวเองคิดหรือเปล่านั่นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้คนที่นะตาบอดเนี่ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเจริญสติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาอาณาปานสติได้ดีกว่าคนตาดี เหตุผลมันมีอยู่นะคือถ้าหากว่าเรารู้หลักการแบบที่มันตรงทางนะลมหายใจเนี่ยจะปรากฏชัดกว่าคนตาดีนะอันนี้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยววันนี้อยากพิสูจนะ์แล้วก็จะจะลองถามเป็นคนๆแหละนะว่าเห็นอย่างที่ ผมคาดเดา ว, ว่าน่าจะเห็นหรือเปล่าอันนี้มาจากตรงไหนมาจากตรงที่ตั้งแต่ผมเริ่มฝึกสมาธิมานะช่วงช่วงต้นๆเลยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะผมพบว่าถ้าเรามีโฟกัสสายตาแบบหนึ่งเหมือนมองไปสบายๆมองไปตรงๆนะแล้วรู้สึกถึงลมหายใจได้ โดยที่ตานิ่งนิ่งแล้วก็ไม่ไปสนใจไม่ไปะวงไม่ไปติดข้องกับภาพภายนอกนะเอาเฉพาะความมืดความสว่างที่เกิดขึ้นจากจิตของเราอย่างเดียวนะมันจะง่ายที่จะค่อยคอยเห็นลมหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นนะมีคนพยักหน้าแสดงว่าสนับสนุนนะ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ไว้ช่วงท้าย ช่วงแรกเราถามตอบกันก่อนใช่ไหมอาจารย์ปอมครับใช่ไหมน้องอิกโอเคอ่ะพี่ก่อนไม่ไม่ติดขออนุญาตเอ็กชอบมีปัญหากับไม้จังเลยถ้าอย่างนั้นปอมปอมนำจะได้ก็งั้นขออนุญาตเอเรียนให้พวกเรารู้จักคุณดังปรินจากงานเขียนใช่ไหมคะใช่ไหมที่ผ่านมาเรารู้จักคุณดังปรินจากงานเขียนหลายๆเล่มของเอคุณดังปรินเนาะเราอยากรู้จัก คุณดังปรินในฐานะที่เป็นเอเขาเรียกอะไรบุคคลคนนึงนิดนึงก่อนได้ไหมคะขออนุญาตให้ช่วยแนะนําให้เรารู้จักกัน<ช>ว่า <นะ S 1> ก่อนหน้านี้นะคะที่จะมาเป็นนักเขียนแล้วก็ช่วงช่วงชีวิตในวัยเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าอีกก็เคยทราบมาคร่าวๆว่าจริงๆแล้วคุณดังดินเรียนหรือทําเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยคือเดิมเนี่ยนะก่อนที่ผมจะเรียนคอมพิวเตอร์อ่ะ ผมเรียนรู้ความทุกข์ของชีวิตก่อนออถ้าอันนี้อันนี้ขออนุญาตพูดไม่ไม่ได้แกลง้งพูดนะแต่พูดจริงๆนะมันมีความรู้สึกอยู่ช่วงหนึ่งตอนอายุ1ิดห้าสิบกเนี่ยว่าคล้ายๆเราเนี่ยเป็นคนตาบอดคือคือคือตาเนี่ยมันมองเห็นทางว่าถนนเนี่ยพาเราไปไหนแต่ว่าใจเนี่ยมันมองไม่ออก ว่าเราจะไปทางไหนดีคือเด็กเนี่ยนะช่วงมัธยมปลายเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่โตดีนักแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวเองเท่าไหร่ถูกบังคับกันทุกคนทั่วโลกว่าเลือกนะว่าจะเรียนอะไรเพื่อที่จะได้ตอบตัวเองถูกว่าจบไปแล้วอย่าไปทำมาหากินแบบ ผมเนี่ยเป็นเด็กคิดมากคิดมากขนาดที hmm. ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตาบอดเป็นคนที่อยู่ในโอกมือเป็นคนที่ไม่สามารถมองเห็ตัวเองคือคือเรามองไปข้างนอกเนี่ยมันเห็นหมดแหละว่าเออคนนั้นคนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงเราอยากได้หรือเราไม่อยากได้เราอยากได้หรือเราไม่อยากได้แต่มองไม่เห็นตัวเองมันไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเงื่อนงุนว่า อยากให้อะไรชีวิตนี้และชีวิตนี้เนี่ยมันมุนกขมาดไห น, นแะมันมันคล้ายๆเวลาเรา่องกระจกแล้วเรามองเหนแอ้มมองเห็นเงาแต่บางทีก็เหมือนกับไม่รู้จักเงานั้นเนี่ยที่มันมันตอบออกมาจากกระจกเนี่ยว่คือใครว่ามันทาอะไรได้บ้างหรือมีความสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้แบบแบบไหน ยังถ้าทบทวนไปเนี่ยนะผมทำได้หมดอ่ะคือถ้าอยากทำนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอายุสิบห้าสิบช่วงนั้นเนี่ยที่มีความสับสนกับชีวิตมากๆเนี่ยเป็นช่วงที่บอกว่าเออถ้าเล่นเปียโนเนี่ยมันจะแฮปปี้นะมันจะมีความรู้สึกว่าไปฟังเพื่อนเล่นเปียโนได้เนี่ยแล้วอิจฉาเขาแล้วความอิจฉาเนี่ย คือไม่ปล่อยให้มันอยู่นานเล่นได้ด้วยตัวเองภายในเจ็ดวันไม่ต้องไปเรียนนะแต่แต่ไม่ใช่เล่นเก่งนะคือเล่นแบบต้องแต้งต้องแต้งอะ่ะคือคือจับคอร์ดได้แล้วก็เล่นเมลโลดี้ได้แบบเบสิคพอยคือเนี่ยที่จะบอกก็คือว่าถ้าผมอยากทำอะไรช่วงนั้นนะทำได้แต่ทำได้ตลอดไปไหมแล้วนี่คือคำตอบไหมว่ามันเป็นชีวิตของเราที่เหลือทั้งชีวิตมันตอบไม่ได้นะ มันจะมีความรมู้สึกว่าอย่างอตอนป .6 เห็นเพื่อนเขียนนิยายแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจบอกว่าถ้าเพื่อนเขียนไะเราก็ต้องเขียนได้สิแล้วก็เขียนได้ขนาดที่ว่าไอ้เพื่อนคนอื่นๆเนี่นะในห้องเสองห้องเลยนะมันต่อคิวกันอ่านบอกว่าขอขอขอชั้นเป็นคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งกันเด็กเนี่ยนะก็ภูมิใจ ว่าเรามีผลงานเป็นที่แบบว่าต้องการเนะี่ยนี่จะสรุปว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เป็นความสามารถในวัยเด็กที่เราสามารถทําได้แต่เราบอกไม่ได้เลยว่าตรงไหนแล้วอันไหนแล้วที่เขอยากจะทําตลอดไปคือคือคนอื่นเนี่ยเด็กเด็กอื่นๆเนี่ยนะมันไม่สงสัยหรอกมันก็เล่นดีดลูกหินกันไปนะวิ่งไล่จับนะแต่ของเราเนี่ย ถ้าตอบตัวเองไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเออบอกเลยว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะอยู่ไปทาไมมันมันเป็นเด็กคิดมากเป็นเด็กที่แบบว่าอารมณ์พร้อมจะซุนเศร้าอ่ะนะแล้วเราถึงขั้นมีความสุขกับตัวเองเนี่ยคช้ายๆคนตาบอดโลกมืด อ, อยู่ในโลกมืดโลกที่เราไม่รู้จักตัวเองอันนี้มันมีองค์ประกอบอยู่ด้วยที่ผมผมบอกว่าเป็นโลกมืดเนี่ยนะมันมีความ สุขภาพอบบตัวภาพแย่มากคนสมัยนี้เจอเจอฝุ่นเนี่ยนะพีเอมสองจุดห้าเข้าไปถึงร้องโอ๊กนะแต่สมัยที่ผมอายุสิบหสิเจ็ดเนี่ยผมเป็นกูุ่มแพ้รุนแรงถึงขนาดที่ว่าไปปลูกไอ้ไอ้อะไรอะที่หมอเขาเทสอบกลุมแพ้หกเข็มนะขึ้นทั้งหกเข็มที่มันโรคนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะ แต่หมอตกใจร้องโอ้อกเลยนะบอกเฮ้ยเลยเนี่ยหกเข็มนี่แพ้หมดเลยคือคือหกโรคนั้นเนี่ยจริงๆไม่ดีเลทกันนะเขาเขาเทสแบบคือมันแตกต่างกันไงแต่ยาแต่ละอย่างอไอไอโรคแต่ละอย่างเนี่ยนะซึ่งซึ่งมันจะใช้ยารักษาต่างกันวิธีนักษาต่างกันนี่คือผมเนี่ย พอภูมิแพ้ด้วยนะเราคิดมากด้วยแล้วเสร็จแล้วก็เออ่เวลาเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปโรงเรียนด้วยรถเมล์เนี่ยมันจะเหมือนกับมีเวลาให้ฟุง้งซานเยอะแล้วก็เวลาสูตรวันไอเสียเนี่ยมันจะทรมานมันจะอึดอัดเวลาเบียดกับคนเนี่ยมันจะถามตัวเองอยู่เรื่อยว่าพี่มันเรื่องอะไรเนี่ยที่เราไม่ได้เต็มใจเกิดมาตั้งแต่ต้นนะเออแต่ทําไมมันต้องมา คนแบบเบียดคนแล้วบางคนนี่ก็จักแกแลกปล่นแรงมากนะ<ส>ปเป็นวันที่ทรมานเหมือนตกนรกเลยนะถ้าถ้าจะต้องแบบไปเบียดอะไรแน่นๆอย่างเนี่นย <S <S แล้วพอคนภูมิแพ้เนี่ยมันเหมือนเวลาสูรกลิ่นฟวันไอเสียอะไรมันก็จะตึดอัดมันก็จะหายใจไม่ออก <S 1> <S 1> นี่ตอนหายใจไม่ออกหรือหายใจแบบไม่อิ่มเนี่ย คือคือปอดปอดแบบว่ารับลมไม่อิ่มเนี่ยนะมันจะเกิดคำถามกับชีวิตทุกครั้งว่าเราเกิดมาทำไมเ mm. นี่ยตัวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจุดที่เป็นคำถามจุดที่เป็นความรู้สึกทั้งหมดในชีวิตของเราช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมารวมลงตรงนี้ว่าที่เราต้องหาคาตอบให้เจอให้ได้ตอนตอนช่วงนั้นที่บอกว่าช่วงสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่ คือจะเรียกว่าอะไรดีประจวบเหมาะกับที่เราชอบขึ้นห้องสมุดอ่านหนังสือทุกชนิดในห้องสมุดทุกประเภทจนแบบปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะคือคือขึ้นห้องสมุดเกือบทุกวันไม่ค่อยสนใจเดินไปกับเพื่อนๆนะอ่านเกือบทุกเล่มยืมกลับเนี่ยบางทีเป็นตั้งๆนะแล้ว ไอ้สัพพาความรู้สัพพาวิชาอะไรต่างๆเนี่ยเราเราอ่านด่าไม่เลือกเลยเนี่ยคือไม่ไม่ได้อ่านทั้งหมดหรอกแต่ว่าคือไม่ได้อ่านทั้งเล่มแต่ว่าอ่านอ่านทุกประเภทด้วยความสนใจในแบบของเด็กที่อยากได้ความรู้แต่มีอยู่หิ่งหนึ่งที่ไม่เคยแวะเวียนเข้าไปแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะอ่านคือหิ่งศาสนาและปรัาาชญาธรรมะนี่ ม, <succ umb> มันบอกว่ามันมีความสูงไม่ใช่วัยเราอ่ะแล้วเพื่อนเราไม่เคยมีใครมาคุยให้ฟังเลยว่าเฮ้ยสนใจมีอ่านอะไรแบบเนี้นะหน้าอิจฉาเด็กร่วมยุคยุคนี้นนะใช่ใช่ค่ะคือทุกวันนี้จะมีสื่อมีอะไรให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอ่าทีนี้ของเราเนี่ยพออ่าบอกว่าเป็นทิ้งเป็นทิ้งสุดท้ายที่ยังไม่เคยแวะเวียนมาเลยเนี่ย ผมจำวันนั้นได้เป็นวันที่มีความรู้สึกว่าโลกดูเปิดแล้วก็สว่างเป็นพิเศษนะคิดเล่นๆว่าที่เดี๋ยวจะหยิบหนังสือมาอ่านสักเล่มหนึ่งเล่นๆ เ, เออแล้วก็คือไม่ได้เอานังสือพุทธศาสนามาก่อนน ะ, ะแต่เป็นเต่าที่เล่าแจ้งคือหนังสือเต่าเนี่ยที่อ่านมันมันไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ าการเจริญสติหรือวิปัสสนาอะไรหรอกนะไม่ได้บอกวิธีทำสมาธิด้วยแต่เขาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ภายในประสบการณ์ทางจิตใจที่ไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องตาดีหรือตาไม่ดีแต่ว่าต้องมีใจเนี่ยที่เปิดแล้วก็สามารถมองเห็นตัวเองได้หมหมายถึงว่าจิตสามารถเห็นภาวะของตัวเองได้ เนี่ยแล้วผมเป็นบุคคลประเภทที่มาเป็นเป็นคนอ่านประเภทที่ว่าสามารถจะอยากรู้อยากเห็นนะโลกภายในในแบบที่เตาอะ่ะพูดถึงอ่าเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วต่อมาเราก็มาอ่านหนังสือวิปัสสนาอะไรเงี้ยนะเรก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆครับค่ ะ, คะนนจุดเริ่มตน้นจุดเริ่มต้นของการที่หันมาสนใจเรื่องธรรมะใ ช, ใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้สนใจพอ สนใจศาสนาเราถูกความทุกข<ะ>์บีบให้เกิดคำถามเกิดโจทย์ข้อสาคัญระดับชีวิตไม่ใช่ระดับแบบคิดเล่นๆแต่เป็นโจทย์ระดับชีวิตนะว่าชีวิตคืออะไระแล้วเราเกิดมาทำไมจะทำอะไรต่อ ท, ทีนี้เราเองก็เลยสงสัยต่อว่าพอเราเกิดความสงสัยแบบนั้นแล้วเราหาคำตอบได้ยังไงเพราะว่า ตัวตัวเอ ง, เอง ก, ก็เคยเกิดคำถามแต่ทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่เจออตอนตอนที่เริ่มสนใจนะตอนตอนแรกอย่างบอกเปล่าที่เล่าแจ้งเนี่ยมันมีแต่การบรรยายสภาพภายในของผู้รู้ผู้ค้นพบผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรแบบนเนี้ยในแบบของ เราจือนะ้อไะไม่ไม่ใช่ในแบบของพุทธนะ <S <S 2> <S 2> แต่แต่มันก็เป็นลักษณะของการตื่นการเบริกบานที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแดงบันดาลใจ <S <S 2> <S 2> นะว่าเฮ้ย hey, เออมีภาวะภายในบางอย่างที่มันมีความสดชื่นที่มันมีความ <S <S 2> <S 2> เ, ออเปิดเผยนะพวกเราเนี่ยบางทีเหมือนกับดเูเหมือนรู้หมดดูเหือนเผเหมือนรู้หมดแต่จริงๆเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตใจของตัวเอง เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่มันนึกว่าเป็นของตัวเองเนี่ยนะคินนว่าเป็นจิตใ จ, จของตัวเองเนี่ยที่แท้แล้วมันลึกลับที่สุดในโลกเลยเออมันพออ่านเต่าที่แล้วแจ้งเนี่ยมันเหมือนเปิดเผยอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงไอ้ภาวะตรงนั้นนี่ปีต่อมาหนึ่งปีต่อมานะ่ยอยู่ๆเกินนึกอยากอ่านหนังสือวิปัสสนาคือคือเห็น เห็นเห็นอยู่ในร้านหนังสืออ่ะเห็นอยู่พักหนึ่งผ่านตาแต่ไม่ได้แบบว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้นึกอยากจะเอามาอ่านยังไม่หยิบเป็นชื่อว่าวิธีทำสมาธิและเจริญวิปัสสนาเพราะอันนี้อาจารย์ธรรมรักษาเป็นคนเขียนอันนี้อยู่อยู่เนี่ยวันหนึ่งเกิดนึกอยากอ่านเล่มนั้นเสร็จแล้วพอเอามาอ่านเนี่ยนะมันมีหน้าแท่งเป็นเป็นใบใบแท่ง ที่อยู่ในหนังสือเป็นภาพอาชิมคนหนึ่งนะที่ดูเหมือนนอนหลับแต่ว่าข้างล่างลงมาเนี่ยถูกแหวะอกอนะเผยให้เห็นตับไตไส้ปุงคือที่โครงเนี่ยถูกเลื่อยแล้วโคงไปประสบอุบัติเหตุหรือไม่ก็ตายไม่ดียังไงสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นเหมือนก่ะสพที่เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปมาเพื่อที่จะมาเป็นธรรมทานนะ พอคือดูรูปอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดความเข้าใจอะไรน ะ, ะแต่ใต้าภาพเนี่ยที่เขียนโดยท่านอาจารย์ธรรมรักษาเนี่ยว่าทุกแท้แปรผันเน่าเหม็นแตกดับ<ะ>นี่มันทำให้เรามองภาพนั้นด้วยความตะลึงคือเกิดความเข้าใจเลยว่าเนี่ย<ะ>ชีวิตเนี่ยที่นึกว่าเป็นชีวิตของเราเนี่ยน ะ, ะจริงๆแล้วพอเนี่ย แค่ท่านด้วยผิวหนังบางๆเนี่ยถ้าแวะออกมาเนี่ยมันเผยความจริงความจริงคืออะไรมันเป็นทุกเนี่ยที่มันแออัดยั้งนานเนี่ยด้วยไอ้อวัยวะต่างๆเนี่ยนะที่เน่าเหม็นอยู่แล้ววันหนึ่งมันจะต้องกระจัด ก, กระจายแยกย้ายหายออกจากกันไปมันเกิดความเข้าใจแบบตะลึง่งบอกว่าเราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่บอกว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยนะ ไอเนี่ยไม่มีขายเถียงได้ต่อให้มันฉลาดขนาดไหนต่อให้มันบิดเบือนขนาดไหนนะมันก็มาลงที่ข้อสรุปนี้แหละว่าทุกแท้เปล่าผันเน่าเหม็นแตกดับวันหนึ่งมันจะต้องสลายตัววันหนึ่งมันจะต้องแยกย้ายออกจากกันอวัยวะต่างๆพอมาเกิดความเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราบอกตัวเองนะว่าดูแลชีวิตที่เหลือจะทําอะไรคือเราจะเอาตรงนี้แหละเป็นความเข้าใจใเป็นหลัก ที่พูดง่ายๆว่าจะศึกษาธรรมะแล้วก็ถ้าถ้าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรอยู่เนี่ยซึ่งซึ่งตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องขีดเขียนอะไรเงี้ยนะเราจะเอาความสามารถทั้งหมดเนี่ยมาทําธรรมะให้มันเปิดเผยให้มันถึงใจคนเหมือนกันที่เราเข้าถึงนี่นี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มต้นว่ามาเขียนธรรมะได้ยังไงค่ะ ก็คือเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมคะว่าคือเริ่มเริ่มสึกาตัวเราเองศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติใช่ไหมคะเลยเกิดเกิดคือคือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กอ่ะนะอายุยังไม่ถึงยี่สิบยังไม่เข้าใจอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเกิดปณิธานกับตัวเองเออมันมันเป็นโมเมนต์หนึ่งมันเป็นขณะหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าเป็นขณะที่สาคัญมากๆคือคือเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีหรอก แต่ว่าเราบอกตัวเองได้เราบอกตัวเองถูกว่าเนี่ยเจอแล้วว่าจะทำอะไรกับชีวิตที่เหลือก็คือเป็นปณิธานที่ตั้งว่าก็คือจะใช้ความสามารถของเราที่เป็นนักเขียนใช่แต่แต่มันมันไม่ได้แบบว่าพอมีช่วงขนาดนั้นแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นทันทีนะมันค่อยๆขย่บขึ้นมาแต่มันมันเป็นอะไรที่แรงมากอ่ะเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ย มันเป็นความจริงที่นะมันมันเส้นผมบางบุเขานิดเดียวแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครค้นพบอต้องรอคนแบบพระพุทธเจ้ามาหาบุรุษแบบพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย<ะ>เออบอกให้เนี้ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนวันหนึ่งมันต้องแยกย้ายออกออกจากกันทีนี้พอยคือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ดีแต่บอกอยังยังตอนอ่านเ่าที่เล่าแจ้งเนี่ยมันเหมือนกับ เราพลอยได้ส่วนได้ส่วนบุญของเหล่าเจ้ออะแม้ว่าท่านท่านได้บรรยายสภาวะของอการค้นพบภายในของท่านยังไงแล้วเราตื่นเต้นแล้วเราก็โอ้โหรู้สึกว่าเราเรามาร่วมได้ค้นพบความยิ่งใหญ่ความลับที่ยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างของจักราวาล น, <ะ>นะร่วมไปกับท่านแต่ถ้าไม่ได้อ่านมันก็ลื ม, ม <laughs> แค่เราก็ <laughs> ไม่รู้จะ ก, กลับเข้าไป าความสว่างที่มันแบบว่าน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเนี่ยได้ยังไงด้วยตัวเองแต่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คือท่านบอกเป็นขั้นเป็นตอนว่าทำยังไงถึงจะเข้าถึงภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการที่เราบังเอิญว่าโชคดีนะถือว่ามีวาสนานะจะจะว่าเป็นบุญเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราเริ่มต้นจาก คำสอนของพระพุทธเจ้าตรงๆท่านที่ท่านบอกว่าเออเนี่ยแก่นของการปฏิบัตินะอยู่ที่สติปัฏฐานสีและสติปัฏฐานสีคืออะไรคือการที่เอาร่างกายนี้แหละที่กำลังปรากฏว่ากำลังนั่งอยู่นี่แหละนะมาเป็นตัวตั้งในการระลึกว่านี่คือความจริง<ฮ>ะนะค้นเข้าไปข้างในจนกระทั่งคือแม้กระทั่งว่ามีความสามารถที่เห็น อวัยวะภายในของตัวเองออาจยัตนานเป็นตับไตไตปุงเนี่ยนะหรือกระทั่งได้กลิ่นเราแบกว่าเราชำระด้วมีดนะเวก็สามารถเห็นมันเน่าเปื่อยผูพังไดนะ้ไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่คาดทะนีเอานะแต่ด้วยจิตที่มันมีความสว่างมันมีความตื่นรู้มันมีความาพูดง่ายๆว่าอยู่ในภาวะพ้นไปยากอาการนึกนคิดคิดปุ้งซ่านหนาวแต่อยู่ในภาวะ อย่างรู้นะรู้ออกมาจากความชัดเจนยิ่งกว่าตาเห็นแบบนี้หรือว่ายิ่งกว่าอก า, านที่คนธรรมดาเนี่ยสามารถารู้ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าด้วยหูน ะ, อ, ะอันนี้ผมถึงบอกตั้งแต่ต้ น, นว่าสําหรับคนที่ในตาไม่สามารถมองเห็นได้นี่ะนะจริงๆอ่ยสามารถที่จะสามารถที่จะเห็น อะไรอีกอย่างหนึ่งที่คนตาดีเนี่ยอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ก็ได้ค่ะนะแล้วทีนี้อยากจะขอเรียนถามค่ะว่าจากวันนั้นที่คุณดังเรนบอกว่าเหมือนเราค้นพบในนิกกี่วินาทีเนะว่าต่อไปเนี้ยชีวิตเราคือจะทําอะไรต่อไปอะคะ่ะมันใช้เวลาระยะเวลาอีกนานแค่ไหนจนกว่าเรามาเริ่มต้นเป็นนักเขียนเขียนหนังสือเล่มแรกออกมาะคะตอนที่เออ เหมือนกับอย่างเห็นภาพอาศินที่ถูกชำละศพเนี่ยน ะ, ะเหมือนอันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปนะเ<ะ>นี่ยมองมองอย่างคนอายุห้าสิบนะมองย้อนไปดูตัวเองตอนอายุยังไม่ถึงยี่สิบเนี่ย<ะ>ผมนับนาทีนั้นเนี่ยเป็นนาทีของการเริ่มมีสัมมาทิฏฐิ สามารถที่จะหมายความว่าเราจะมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตในแบบที่พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกเนี่ยท่านมองกันยังไงอยู่บนทิศทางอยู่ในทิศทางความจริงที่เหล่าอริยเจ้าท่านสนใจกันยังไงอย่างคาว่าอริยสัจสีเนี่ยนะคนอื่นแปลยัยงไงไม่รู้ผมแปลว่าความจริงที่เหล่าอริยเจ้าท่านสนใจ <S <S นคืออริยสัตว์อริยะใช่ไหมแล้วก็สัตสัตจจะเนี่ย<ะ>คือความจริงความจริงที่เหล่าอริยเจ้าท่านสนใจและท่านสามารถรู้แจ้งได้นี่อริยะเนี่ยจริงไม่ใช่เทวดาลอยมาจากฟ้านะมันเริ่มต้นจากคนธรรมดามที่เริ่มต้นเข้าใจธรรมะนั่นแหละนะไอ้ตอนที่เริ่มต้นเข้าใจธรรมะเนี่ย มันคือเหมือนแก่อยู่ต้นทางของความเป็นอริยะแล้วค่ะแล้วพ อ, เ, อเราเหมือนแกนช่ชีวิตเนี่ยจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีเนี่ยผมไม่ได้นับน ะ, ะแต่แต่ละวันเนี่ยมันจะมีข้อคิดะนะข้อคิดบนเส้นทางที่อริยะเจ้าเราอริยะเจ้าท่านสนใจนะสังเกตชีวิตแล้วโน้ตสั้นๆอืคือ<ะ>ตอนนั้นไม่ได้ กะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาเรียบเรียงเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเป็นตั้งๆนะแต่ว่าเป็นความอยากเป็นไฟที่มันมีขึ้นมาเองว่าอยากจดอะไรสั้นๆอยากโน้ตสั้นๆที่มันเป็นข้อคิดแล้วก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้คิดแล้วก็ได้เห็นในแบบที่มันจะเข้ามาภายใน นะคน<ะ>พบไอ้ความลับหรือว่าความจริงภายในมากขึ้นมากขึ้นทุกวันตัวนี้แหละที่มันเป็นโรงเรียนนักเขียนนี่พ อ, อโรงเรียนนักเขียนเนี่ยมันมันสอนผมถึงจุดหนึ่งตอนอายุยนะี่สิบตอนนั้นเนี่ย<ะ>บวชพระคือ<ะ>อยากบวชมากเป็น<ะ>เป็นความรู้สึกว่าเอจะต้องบวชให้ได้ไม่สนใจนะว่ากาลังเรียนอยู่หรืออะไรดรอปเลย ดอบเรียนเทอมหนึ่งนะฮะใจถึงมากบอกว่าไม่ไม่กลัวนะจะเรียนช้ากว่าเพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะอยากบวชตอนนั้นจริงๆความตั้งใจคืออยากบวชไปเรื่อยๆนะแต่แต่มันมีเหตุผลนอะไรบางอย่างคือคือเป็นแต่แต่เนี้ยจะเล่าแล้วกันว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตนักเขียนยังไงตอนที่บวชอยู่คือก็จะมีสมุด อยู่เล่มหนึ่งเตรียมมาอยู่แล้วก่อนที่จะบวชแนี่แล้วก็ประกาศ<ะ>ด้านหนึ่งผมเขียนสิ่งที่มันคล้ายๆว่าเป็นการค้นพบในแต่ละวันเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็จิตใจสภาวะทางใจของตัวเอง<ะ>มีอยู่วันหนึ่งคือรู้สึกถึงความเป็นอสุภะหรือว่าความเป็นปฏิกูล<ะ>ของร่างกายแล้วก็เขียนเขียนด้วยความ คือมันออกมาจากใจจริงๆเลยนะว่าเขียนยังไงเขียนไปอย่างนั้นผมจําเนื้อหาไม่ได้แต่สิ่งที่จําได้ก็คือว่าอยู่ๆเพื่อนพระก็บอกขอยืมหน่ยสิเห็นเขียนจังเลยนะเออยากรู้ว่าเขียนอะไรค uh huh. พอเขาเอาไปอ่านเนี่ยก็มีคำหนึ่งยังจําได้ติดถูจนถึงวันนี้เขาบอกว่าเขาอ่านแล้วไม่เคยมีความรู้สึกว่าถูกเหมือนกับจิตใจเนี่ยถูกดูดเข้าไปในหน้ากระดาษ เหมือนกันอย่างนี้มาก่อนมันเหมือนเขาอินมากแล้วก็ไอความไอสภาพแบบอสุภะกรรมฐานอะไรที่ผมบรรยายไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วก็เห็นภาพตามตรงนั้นมันเหมือนกับการค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความสามารถตรงนี้อยู่จริงจริง่ะมันมันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าโอเคไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพพระหรือคารวะเนี่ยเราจะเขียนหนังสือ นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่บอกตัวเองเลยว่ายังไงเนี่ยนะเราจะใช้ศักยภาพที่มันมีอยู่แล้วมาตั้งแต่สะสมมาตั้งแต่ตอนปหกเนี่ยนะเอามารับใช้พระศาสนาอืจึงเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมคะพราะว่มีคนที่มาอ่านแล้วเรารู้สึกว่าคือมันเข้าถึงในสิ่งที่เราพยายามจุดประกายมันเป็นมันเป็นความสามารถของเราแล้วเราอยากจะ ตอบแทนพระศาสดาที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับค้นพบฐานหรือค้นพบตัวเองนะคือถ้าลํำพังความสามารถของตัวเองเ่เป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ๆเราจะรู้ขึ้นมาว่าชีวิตคืออะไรจะเอาอะไรจากชีวิตแต่พอได้คำตอบจากอสมนั่นแหละนะโดยโดยที่คือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์ธรรมรักษานะว่าท่านมาเขียน แค่คำสั้นๆเนี่ยทุกแท้แปรผันเน่าเหมือนแตกดับเนี่ยเราตื่นเลยมวาว่าเออนี่แหละความจริงของชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ชีวิตที่เหลือเนี่ยของเราเนี่ยอยากจะศึกษาต่อเน <ะ S 2> <ะ>ี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นคือมันไม่มีหรอกไอ้ที่ว่าอาอยู่ๆคนคนหนึ่งเนี่ยนะเขียนอะไรออกไปแล้วโอ้ยมีคนอ่านทั่วประเทศแล้วก็กลายเป็นนักเขียนดังเลยมันไม่ใช่แบบนั้น ม, มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นไ อ, <ะ>อๆคนเนี่ยชอบมาบอกนะบอกว่าผม อ่านเล่มแรกของคุณนะดิฉันเนี่ยแบบว่ารู้จักคุณจากเล่มแรกแต่จริงๆเขียนมาเป็นสิบๆเล่มแล้วนไอ้เล่มแรกบอกเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเนี่ยคือเล่มที่มันดังมันมันบังเอิญแจ้งเกิดนะแต่แต่ไอ้จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเราอ่ะมันมาจากวันนั้นเน่ยวันที่เราไม่ได้ตั้งใจเขียนให้ใครแต่กลั่นออกมาจากใจของตัวเองค แต่กำลังจะถามว่าแล้วเล่มแรกของคุณทางตรินคือเล่มไหนใช่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยตอนตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบเอ็ดย่างยี่สิบสองเป็นบทควา ม, มคือว่าอยู่ๆ เ, เราปฏิบัติทำเราสึกออกมาแล้วใช่ไหม<ะ>บวชได้แค่2องเดือนมีวาสนาแค่นั้นก็ <laughs> อ, อ, อ, อยู่ๆเนี่ยมีวันหนึ่งเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ ความฟุ้งซ้านในหัวเนี่ยเออแบบครูบาอาจารย์ก็สอนให้เรารู้ใช่ไหมว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นมีอะไรแต่เราทำไม่ได้นะอยู่ๆก็เกิดไอเดียว่าเออถ้าเราคิดอะไรแล้วเราเขียนลงไปทันทีราวกับว่ามันไหลออกมาจากสมองเราตรงๆคือเอาแบบซื่อๆเลยนะไม่มีการกลั่นกรองไม่มีการคิดว่าจะเขียนให้มันดูดียังไงอย่างเช่นมีคาว่า บุ้นขึ้นมาในหัวเนี่ยเราก็เขียนบุ้นเข้าไปเลยหรือมีเพลงชาติขึ้นมาเราก็ประเทนไทยอะไรเงี้ย<ฆ>นะเสร็จแล้วพอไอเดีย ต, ตรงเนี้ยเราเราลองดูเอ้ยมันสติดีขึ้นมันรู้ความคิดของตัวเองออกมาเป็นรูปธรรมเลยเราก็เลยบอกเออเนี่ยอยากให้คุณอ่าน<ฆ>แล้วก็ตอนนั้นมีหนังสือในเครือโลกทิพย์ชื่อว่าหนังสือนิตยสาร<ฆ>คนโลก<ฆ>นะฮะเอ่อเป็นเป็นนิตยสารรายเดือน ไลายปักไม่ไมแน่ใจนะลายปักหรือว่าายเดือนโรคทิพย์อะาลปักแต่ว่าคนพ้โลกหรือเอตอนแรกชื่อคนพ้นโลกแต่จริงจริงเขตัดลงเหลือชื่อคนโรคเฉยๆนะรู้สึกมันจะเป็นายเดือนนี้ก็เลยบอกอส่งไปดูอืนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับปรากฏว่าพอส่งไปเขารับนะโทรมาแบบอย่างดีเลยนะบอกกอโทรมาเองบอกให้เขียนไปอีกเรื่อยๆนะ เออเขาก็นึกว่าเราเกเแล้วตอนนั้นเนี่ยมีในพลโทรนอกราชการบอกอยากเจอตัวนะฮะวันนั้เราก็ตกใจเลยเนะ่มันอายุแค่ยี่สสองอ่ะแล้วแบบคือในพลแบบว่าอ่านเรื่องคือตอนนั้นอ่านบทความเรื่องอวิชชาแลวบอกมันมันอยากเจอคนเขียนเนี่ยเราเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออ ไอ้ความสามารถในการเขียนเราเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่คิดเองเออเองนะแต่ว่าสามารถเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้จริงๆริง<ฆ>มันมันเป็นจุดเริ่มต้นคืออยู่ๆ<ฆ>เนี่ยไม่ใช่เราเขียนหนังสือเราเขียนเป็นบทความก่อนและตอ น, <ฆ> ต, อนตอนแรกเนี่ยเอคือคือไอ้ที่พับลิชหรือว่าออกสู่สาธารณชนจริ ง, <ฆ>รงๆเนี่ยเป็นบทความธาารรมะแต่ว่าตอนที่เราเรียนจบนะ<ฆ>เราเรียนมาทางไอที แล้วเขียนหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เซอร์ไพรส์มากแบบอันนี้ที่เคยทราบประวัติว่าจบทางด้านไอทีแต่ว่ามาเขียนในเชิงธรรมะอันนี้แต่เขียนคอมพิวเตอร์ก่อนอันนี้ผมก็ผมก็เซอร์ไพรส์กลับนะเพราะว่าเฮ้ยทาไมอ่ะแบบก่อนที่เราจะเรียนคอมพิวเตอร์อืเรามีความทุกข์มาก่อนเรามีโจทย์ของชีวิตมาก่อนไม่แตกต่างจากคนทั่วไปค่ะ ก่อนที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเรียนอะไรหรือว่าธรรมชีพใดมันเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเข้ากันหมดค่ะเป็นหญิงเป็นชายที่เศร้าเป็นตุกเป็นแล้วก็หาทางออกจากทุกข์อืด้วยกันทั้งนั้นไม่ไม่มียกเว้นนะไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาคที่ต่อให้นะเนี่ยอย่างหมอจิรวัตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอเนี่ย ก็สามารถจะมาสนใจธรรมะได้นักธุรกิจนะที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะมีความทุกข์แล้วหาทางออกจากทุกข์ได้นะมันไม่มีอภิสิทธิ์ชนหรอกที่จะมาแบบต้องคนอาชีพนี้เท่านั้นนะถึงควรจะสนใจธรรมะนะทีนี้เมื่อสนใจธรรมะใช่ไหมแล้ว ใครมีความสามารถพื้นฐานที่จะกระจายธรรมะออกไปอันนี้ตรงนี้เนี่ยที่มันมันเป็น point เราเร า, เราเขียนหนังสือเนี่ยก็เราจบไอทีมาเราก็เขียนบทความเขียนหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือเราต้องหายอยู่หากินนะแต่บทความธรรมะนี่เราไม่ได้กะหายอยู่หากินคือตอนแรกเนี่ยเขียนที่ฟรียนคือตอนแรกเนี่ยบอกเขาได้ตามบอกว่าไม่ต้องให้ตาัง แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าคือคือโดยระบบเนี่ยถ้าไม่ให้ตังค์เนี่ยเดี๋ยวเขาเขาก็จะมีความผิดนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราอยู่ในโลกความจริงว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยากหากินจากตรงนี้มันก็ต้องมันก็ต้องอยู่กับตรงนี้นะก็เลยคือพอต่อมาเนี่ยเขียนคอมพิวเตอร์แล้วก็คือเคยอยู่บริษัทซอฟต์แวร์ เป็นดีไซเนอร์เป็นซอฟต์แวร์ดีไซเนอร์นะออกแบบซอฟต์แวร์แล้วก็เขียนโค้ดเองด้วยสมัยนี้ไม่ไม่ถือว่าเก่งนะสมัยนี้ถือว่าธรรมดาสมัยนี้เด็เด็กเนี่ยสมัยน้นเนี่ยอาจจะโอเคอาจจะเรียกว่าแตกต่างจากคนอื่นเขาแต่สมัยนี้เนี่ยพวกเด็กรุ่นใหม่มันต้องเก่งกันจริงๆมันถึงอยู่รอดได้มันถึงยาวตัวรอดไหวนะซึ่งของเราเนี่ย พ อ, อทำทางโลกอ ะ, ะออกแบบซอฟต์แวร์เขียนโค้ดนะแล้วก็เขียนหนังสือไล่ตามไอ้ความเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์<ะ>แล้วมันถึงจุดหนึ่งมันเบื่อต้องปอย่างอันนี้พูดตรงๆนี่เล่าให้ฟังนะไม่<ะ>ไมค่อยเล่าให้ฟังเท่าไหรอ่อ่ะคือเราจะเขียนในแบบที่คนอื่นเขายังไม่เขียนกันอย่างเร่มแรกที่ออกมาเนี่ยเป็น กระท่เปลือก i อซคิเนเป็นเป็นซอฟต์แวร์ที่เออเอาเอาไใช้คุยกันสมัยนู้นเ<ะ>นี่ยถ้าอายุอายุอนามมากพอเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะฮะว่าคง<ม>จะจะคงอ๋อเลย<จ>ไม่น่าอ๋อเลยเด็กรุ่นนี้ไม่มีทาง อ, อ๋อนะไม่ไม่มีทางอ๋อเด็ดการเด็กรุ่นนี้จ f เฟ e b o ๊ k หรือว่า อะไรนะไอจีเอไอจีอะไรกับนนะหรือ YouTube อะไรแต่สมัยก่อนเนี่ยที่มันมาตัวแรกเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้รู้สึกจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยแม้แต่บริษัท Mirabilis ซึ่งเป็นผู้ผลิตไอ q อออกมาเนี่ยยังไม่มีแมน่วลออกมาเลยยังไม่มีไอข้อมูลการใช้งานออกมาเพราะนึกว่ามันไม่จำเป็นแต่ที่แท้เนี่ยพอเราเขียนออกมาในหนังสือเล่มแรกเนี่ยโอ้โหแบบ คนขอบคุณกันมากเลยไม่รู้วิธีใช้เราก็เลยเนี่ยเห็น point นะว่านังสืออะไรที่ยังไม่มีคนเขียนเนี่ยเขียนไว้เถอะมันมีคนที่อ่านเสมอนี้พอเราเขียนเขียนไปเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยชอบมีคนออกตามมาคือมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของการ์ดิงนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเรายังไม่เข้าใจไงว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเรียนแบบเราแล้วเราตั้งราคาอุตสาห์ถูกแล้วเนี่ย ตอนนั้นจำได้ร้อยกว่าบาทเนี่ยก็มีคนปรับแม่ให้ราคามันถูกกว่าทำมีสีสันดีกว่าเพราะของเราแบบว่าทากับเพื่อนเนี่ยแบบว่ามีไม่ไม่ได้มีงบน้อยอ่ะนะก็แบบคือตั้งราคาตามมาตรฐานแต่เขาเนี่ยเป็นสำนักทีมใหญ่เนี่ยป็นไปัดราคาเราว่าบ่อยๆเข้าเนี่ยเขียนอยู่ประมาณตีเล่มตอนเขียนเล่มใหญ่เนี่ยแบบอะไร คเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดแบบไอสํานักพิมพ์เขาเร่งใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยเล่มต่อไปเล่มต่อไปมันขายดีนะเพราะเราเราเขียนในแบบที่ไม่ไม่มีใครเขาเขียนกันก<ะ>็กําลังเขียนเล่มไอสุดท้ายเนี่ยเนะี่ยเขียนไปได้ประมาณสักย5ิบห้าเปอร์เซ็นตได้<ะ>ก็เกิดความสึก นี่เราอยากทํำใ้ตรงนี้จริงๆเหรอนี่มันกลับไปเป็นเด็กช่างสงสัยเแก่ทำมกลับไปเป็นเด็กขี้สงสัยอีกตอนนั้นอายุถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณสามสิบสามสิบสามสิบเอ็อะไรเงี้ยนะกาลังจะรวยแล้วด้วยการขายหนังสือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะกําลังจะรวยอยู่แล้วเออมันกําลังอนาคตกําลังจะดีๆอยู่แล้วแต่ด้วยความเบื่อ ด้วยความรู้สึกว่าเราต้องวิ่งไล่ตามอเนแวดวงของตแวเอแล้วก็ต้องมาแข่งขันคือคืออยู่เราเราอยู่บนทางของเราดีๆเนี่ยนะแล้วก็มีคู่แข่งมาแบบไม่ว่าเล่นไหนออกไปเนี่ยจะต้องมีคนเจอออกหนังสือตามมาประกบเราเกิดความรู้สึกเบื่อแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกแบบนี้อคือใจของเราเนี่ยไอไอความเป็นเด็กที่สงสัยหรือว่าเด็ก ที่มัน อ, อยากได้คำตอบของชีวิตเนี่ย <ฮะ S 1> มันมันทิ่มแทงตัวเองทุกวันจงกระทั่งรู้สึกว่าเขียนไม่ออกอแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไปบอกคือขับรถไปบอกพี่ที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เลยนะคุณวศินเพิ่มทรัพย์เนี่ยบริษทัทโปรวิชันบอกเลบอกว่าพี่ผมเขียนไม่ไหวละมันมันรู้สึก แล้วเขาก็ถามว่าทำไมแล้วนี่โหยกําลังกําลังรุ่งเลยนะ <c oughs> กําลังแบบว่าโหมีคนแบบรู้จักมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเออคือเราไม่รู้สึก ง, งานเนะี่ย <c oughs> เราเราอยู่กับบ้านใช่ไหมไม่รู้หรอกว่าคนเขาต้อนรับอะไรกันขนาดไหน <c oughs> แต่พี่เขารู้ไงเวลาเขาจัด ง, งานหนังสือเนี่ย <c oughs> แบบคนไปกันเยอะแล้วเขาประหลาดใจเลยนะ <c oughs> บอกว่าพี่ <c oughs> นักเขียนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่เคยมีใครไปกันเยอะขนาดนี้อื <c oughs> แต่ เราไม่ได้รู้สึกตามเขา<ะ>เพราะว่าการใช้ชีวิตจริงๆของเรามันอยู่ที่บ้านมันไม่ได้เจอคนมั น, นมไม่ได้รับเกียรติยศมันไม่ได้อะไรแม้มกระทั่งทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ม, มันมันไม่ได้รู้หรอกว่าคนเนี่ยเขาอ่านกันไปถึงไหนแค่ไหนเขาต้องการงานของเราแค่ไหนแต่เราเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยงานของเรามันเป็นประโยชน์ที่สุดกับคนแล้วหรือ ย, ยังอืมใช่หรืออย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า<ะ>เราเขียนบทความธรรมะมาตั้งแต่อยุยงน้อยะค่ค่ะ แล้วก็คือมันรู้อยู่ในใจไงว่า อ, อะไรที่มันเป็นประโยชน์จริงก็เลยบอกว่าเอาแหละด้วยความที่ตอนนั้นมีสายป่านอยู่ก้อนหนึ่งนะก็เอาเอางี้ก็ละกันคือว่าสมัยนั้นเนี่ยนะธรรมะเนี่ยยังเป็นหนังสือหลังร้านหนังสือช<ห> น, <บ>นอร้านแล้วคือคือแแบบว่า จะมีชีวิตอยู่ mm hmm. ไอ้ที่หลังเขาเรียกว่า Life for living เนี่ยมันไม่ได้ mm hmm. มันเป็นไปนไม่ได้ mm hmm. แต่เราจะทำ mm hmm. คือเพราะว่าถือว่าเออเราเขียนหนังสือทั้งโลกมีสายพันแล้วระดับหนึ่ง <Ha. S 2> นะจริงๆมีอยู่แค่ไม่กี่แสนนะ mm hmm. คือถ้าถ้าย้อนไปเนี่ยมองย้อนไปนี่เสียวไส้แท้ <laughs> <laughs> มัน <laughs> มันมันเสี่ยงกับการอดตายแท้ๆเลยนะ เด็ดค่ะเดอะเอะเออ ข, อข้อนี้อยากสอบถามนิดนึงคือช่วงนั้นที่คุณรังเปริงเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ยังเขียนบทความธรรมะอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องอคืองานที่ได้เงินเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเปนเลือกชีวิตมันจาเป็นต้องมาเลี้ยงชีวิตเราค่ะแต่ที่เราต้องการทําจริงๆคือเขียนบทความธรรมะตอนตอนนั้นยังไม่ได้เขียนเป็นหนังสือค่ะเอช่วงช่วงอายุประมาณยี่ อ่าเมื่อกี้จริงๆเล่าเพี้ยนไปนิดนึงคือตอนเขียนบทความครั้งแรกเนี่ยรู้สึกหายอายุยี่สิบแต่ว่าที่บอกอายุยี่สองเนี่ยคือเขียนเริ่มเขียนนิยายเรื่องทังนารพานอ๋ออ่าอันนั้นคือจุดเริ่มต้นอ่าแล้วก็ทยอยลงในพิธทศาัทธาทยอยลงอ่าคือคือเขียนบทความด้วยแล้วก็เขียนเป็นนิยายด้วยค่ะนะฮะคือค่าตอบแทนเนี่ยมัน จำได้ว่าหลักร้อยอ่ะค่ะอ่าคือคือมันมันไม่มันไม่ได้ทีสามารถจะเลี้ยงตัวได้นะแต่เรามีความสุขกับมันมากค่ะเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังอน่ยว่าเออเรามีจดชีวิตตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมตั้งแต่วัยรุ่นเแล้วเราได้คําตอบเนี่ยคําตอบนั้นเป็นคําตอบที่มันโชว์ให้เราเห็นว่าใจจริงๆของเราอยู่ตรงไหนอืในชีวิตอืแล้วก็เนื่องจาก ทางใ น, นลึกรานเนี่ยพอเขียนมาได้สักประมาณสิบกว่าตอนได้คค่่ะะมันมีเหตุวิกฤตนะยันตราคื อ, อคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะอ๋อเนี่ยแบบเพื่อนร่วมยุคนะฮ <c oughs> ะว่ของว่ของใครเดาเพ้ออ๋อใช่เนี่ยบอกยุคนึแต่แต่แต่ละแต่ละครั้งเนี่ยจะได้คําตอบเลยว่าอยู่ยุคเดียวกับเราหรือเปล่าคือตอนนั้นเนี่ย ถึงขั้นที่ว่าคนเนี่ยเสื่อมสลายจากพุทธศาสนายอดนิตยสารเนี่ยที่ขายได้เดือนละสองหมื่นเล่มเนี่ยนะค่ะลงมาเหลือไม่ถึงห้าพันเล่มอแจ้กระทั่งเขาต้องปิดตัวออืเราก็เลยซวยไปด้วยไม่ไม่ได้ที่ลงแล้วก็อยู่อยู่แค่ทานนี้เราเราเราหยุดเราหยุดมาเนี่ยแต่บังเอิญนะ บางเอินตอนนั้นคิดไม่ออกพอดีว่าจะเขียนต่ อ, อยังไงอ๋อก็กลเป็นพอดีจังหวะ <c oughs> จัดสรรจัดสรรคำร้น <c oughs> อานจัดสรรพออายุใกล้ยี่สิบอายุประมาณยี่สบเจ็ด่ิบเจ็ดยี่บแปดก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในโลกคือ <c oughs> อินเทอร์เน็ต <c oughs> อ๋ <c oughs> ออีกแล้วนะ <c oughs> ใช่แม่จำได้เลยไม่ให้ถึงม <c oughs> ันยม <c oughs> คือพอมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเราเลยมีช่องทางช่องทางใหม่แล้วก็กลาใหม่หมดเลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกนะคือจากมุมมองของเด็กอายุแค่ยีบสองเนี่ยมันยังไม่ได้เอ่อยังยังไม่ได้อินตัวน ะ, ะก็เริ่มเริ่มต้นเขียนใหม่นะแล้วก็ค่อยค่อยทยอยลงเป็นกระทู้ในพันทิปโอ้ยเนียกระทู้ในพันทิปเนี่ย ช่วงนั้นจะมีคนติดตามในห้องสมุดพันทิพย์นะฮะคือคือยังไม่แยกเป็นห้องศาสนาเขาจะมีแค่ห้องสมุดพันทิพย์แล้วเราก็เอาทยอยลงเป็นตอนตอนตอนก็เจอกลุ่มคนที่เหมือนกับมีมีอัตยาสัยเดียวกับเราชอบแบบเดียวกับแล้วนี่ยอกทางนารุพานเนี่ยเป็นที่ที่เออเป็นชื่อที่น่าสนใจค่ะเอ้อเนย้ยเยือแต่แต่ไอตอนนั้นเนี่ย คนในห้องสมุดเนี่ยเขา ย, ยังชอบอ่านธรร ม, มะเพียวๆกันนะอบอกว่าเฮ้ท่านนี้ยายนี่แสดงว่ายัยงยังไม่ธรร ม, มะจริงนะยังไม่ธรรมะจริงแต่เราอะ่ะคืออยากจะใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับคนร่วมสมัยที่เรารู้ไง<ะ>เราเราเคยผ่านมาก่อนตอน<ะ>ที่เริ่มต้นธรรมะเนี่ยเราอ่านงานของท่านอาจารย์วสินธิพินทัศะอาจารย์สุชีปุญญานุภาพนะท่านธรรมโคตรหรือ ใครตอนนี้อะไรหลายคนเนี่ยที่เป็นนักเขียนธรรมะเนี่ยท่านแต่งนิยายกันมาเพื่อให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นสนใจได้เข้าใจง่ายแล้วมันยินตอนตอนตอนที่อ่านเรื่องของท่านท่านธรรมโครีลาวดีเนี่ยนะอ๋อนไหมอ๋อไใจสิคือคือเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่า ใจเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับตรงนั้นนะอ่านแค่วันวันเดียวเนี่ยจบเลยใช่นะียมันมันรู้สึกสนุกมาก<ะ>แล้วเป็นความสนุกที่มันได้อะไรเข้ามาด้วย<ะ>วเราก็ตั้งใจเลยนะอันเนี้เออ่ได้ได้มีโอกาสเรียนท่านอาจารย์ธรรมโคตเนี่ยเอท่านแสงจัน ง, งามเนี่ยค<ะ>ก่อนท่านเสียนะบอกว่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเลยนะว่าตอนที่เออ่เราอ่านไปเนี่ย เราเราตั้งใจเลยว่าถ้าวันหนึ่งเรามีความสามารถมากพอเราจะทำแบบนี้บ้างคือเขียนนิยายที่ทำให้คนเนี่ยสนุกด้วยแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าตาสว่างนะได้ได้เห็นธรรมะได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ด้วยอันนี้ก็เลยพอเนี่ยตัดตัดมาเร่าเาย้อนกลับมาที่ พอเราเริ่มเบื่ อ, อเริ่มอิ่มตัวกับการเข<ะ>ียนหนังสือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเราก็ถามตัวเองว่าเราทําอะไรได้บ้างมันมันเริ่มจากเนี่ยเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยนะรวมทั้งมีเพื่อนๆ เ, เนี่ยช่วยลงขันมาด้วยอ่าพิมพ์หนังสือทางนารุพานออกมาเป็นนิยายเป็นเล่มเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาไปเสนอสํานักพิมพ์ไหนนะเขาปัดหมดบอกอไม่เอาหรอก เออมั น, ม, นมันหนักเกินไปเนี่ยเขาโทรมาบอกเลยนะว่า อ, อ, อย่าเขียนเลยหนังสือหนักขนาดนี้ไม่มีคนนา<อ>่าหรอกถ้าอย่างนั้นอีกขอยอมไปนิดหนึ่งได้ไหมว่าเคยอย่างการเขียนนวนิยายเนี่ยผมจะต้องมีจินตนาการที่เคยไม่ได้เขียนตรงคือมันจะมีเรื่องเรื่องราวของตรงๆความเป็นจริงด้วยแล้วก็บวกไปกับจินตนาการด้วยแล้วแล้วเคยได้ยินนะักเขียนพูดมาว่าก่อนที่เขาจะเขียนเขาต้องมีพล็อตวางพล็อตวางกรอบก่อน อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าที่ฟังที่ที่พี่ตุลพูดมานี่ลักษณะเหมือนกับว่ามีมีตันด้วยมีเอ้เขียนถึงเสรจหมดแล้วเขียนไม่ออ ก, กแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้วางโครงไรคือตอนแรกเี่ยพี่เขียนไม่เป็นค่ะนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยคือเขียนด้วยความอยากจะเขียนยัางบทความแรกเนี่ยใช้เวลาเขียนอยู่ทั้งหมด2เดือนอแค่3หน้ากระดาษ สามหน้ากระดาษเนี่ยใช้เวลาสองเดือนมันมันยากลําบากมากแล้วเฝินมากเรากับว่าจะต้องปีนข่าวออ่ืความรู้สึกมันอย่างนั้นจริงๆนะมันยากมากแต่ทุกวันเนี่ยห้านาทีเสร็จ่าแบบมันมันทำมาสามสิบกว่าปีเนี่ยนะคือคือมันง่ายแล้วแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนปินเขาจริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงกว่าจะได้ออกมาแต่ละคําแต่ละประโยคเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วพอกับย้อนกลับมาอ่านเฮ้ยมันอ่านไม่รู้เรื่องต้องแก้ใหม่ นะฮมันไอไอระบบความคิดของเราเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเขียนนิยายก็เหมือนกันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเขียนแบบเด็กๆมันไม่มีพล็อตค่ะอย่างทางนลภานี่ยบอกกองๆเลยครับมันเขียนแบบว่าภาพอะไรผุดขึ้นมาในใจมันว่าเขียนไปเรื่อยๆไม่มีการวางพล็อตเลยไม่มีแบบว่าตอนจบจะเป็นยังไงตัวละครโผล่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยนะ มันโผล่ออกมาณเวลาที่เรากำลังคิดอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่วางแผนไว้ก่อนค่ะนี่อันนี้นี่พวกคุณได้รู้เบื้องหลังนะแต่เรื่องนี้ก็ดีมากนะคะเรื่องนี้ชอบคือเรื่องนี้ตอนนี้ก็กำลังเขียนใหม่เขียนใหม่เลยเพราะว่าเพราะว่าพอเราตอนตอนแรกเนี่ยนะทางราหรือผ่านเนี่ยเป็นแผนในใจของเราว่าเราจะเขียนทุกสิ่งทุกอย่าง all in one นะ เอามารวมไว้ในเล่มเดียวแบบทั้งความสนุกนะแล้วก็ทั้งทรแมะมทุกระดับนี่พอมันออกมาจริงๆเนี่ยเราค้นพบจากความจริงว่าคนอ่านเนี่ยมไม่ใช่ทุกกลุ่ ม, มที่เขาจะมาะติดใจใอย่างตอนที่ลงทยอยลงในห้องสมุดพันทิพย์มีพวกหมอวิศวกรแล้วก็พวกที่ชอบ คิดอะไรเยอะๆออะืมที่ตามมแต่ไอ้ที่แบบเขาอยากได้ความสนุกอยากได้ติสันนั้นความบันเทิงอะไรเงี้ยหรือทำแม้อะไรง่ายๆเนี่ยค่ะเขาจะไม่เอาเลยอืเนยไอ้ตรงนี้เนี่ยพอเราเขียนเสร็จแล้วมันถึงได้เอแล้วมันมีงานต่อๆมาเนี่ยจะเป็นมหาสติประธานตันั้นดีด้ือว่าเจดเดือนบรรลุธรรมหรือว่าจะเป็นอนิยายเรื่องื่นๆกรัมพยากรอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้ข้อสรุปใหม่ว่า ควรแยกเป็นเล่มๆท่านี้ยายเน้นสนุกสักเก้าสิเปอร์ซ็นสิบเอร์ซ็นให้เป็นธรรมะขอเป็นธรรมะแบบตัดคู่หัวใจสิเปอร์ซนตที่ตัดคู่หัวใจได้พอแล้วใช่ค่ะเนี่ยตอนนี้ก็เลยวางแผนกำลังเขียนใหม่หมดเลยคือคือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเรื่องนะเป็นเรื่องเดิมตัวละครชื่อเดิมพล็อตเดิมนะแต่ว่าเราใส่อะไรใหม่เข้าไปในแบบที่มันกลมกลืนแลแล้วก็ทําให้ คนทั่วไปเขาเวลข้ามเ่เขาเขาสามารถที่จะร้วเข้าใจได้จริงๆเล่มนี้ยังคุยกับอีกอยู่เลยค่ะว่าเราก็น่าจะอ่านใหม่เพราะว่าหนังสือเดี๋ยวรอก่อนนะขอรอเล่มใหม่เลยขอขอเวลาไม่เกินปีนี้ไม่เกินปีนี้คือคือเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่บรรทัดแรกเนี่ยคนจะอยากฟังต่อทันทีอันนี้รับประกันแบบคือคือเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยอ่านไปสามหน้าคนวางเลย เก้าสิบเอร์เซ็ตของคน<อ>ที่อ่านสามหน้าแรก<อ>ในเวอร์ชันเก่านะวางทันทีบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยมันหนักมันยากมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอแตเอ่เวอร์ชันใหม่เนี่ยต่อให้เป็นเด็กวัยรุ่นอ่านตั้งแต่ย่อหน้าแรกจะอยากอา่านต่อทันทีเอออันเนี้ยรับประกันเหมือนกับตอนนั้นที่เจอเสียดายคนตายไม่ได้อ่านภาคสองอันนี้ก็เขียนเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ใช่ไหมใช่ที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็สังเกตว่างานเขียนของของพี่ตุนจริงๆจะจะเน้นเน้นหลากหลายแนวคือจริงๆเน้นเอาความเข้าใจ ค, คือเราอยากได้คนเข้าถึงเพราะเราเป็นปณิธานไง บอกว่าเราจะเป็นโปรสกของพระพุทธเจ้าให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงธรรมะไปรุ่นอย่างเราใช่ต้องบอกว่าอย่างเล่มแรกที่ปอมอ่านคือกัมพยากรค่ะดึงดูดด้วยนิยายลันดาวเนี่ยลันดาวคนนึงเหมือนกันใชเป็นหนึ่งในลันดาวคือถูกแล้วแล้จริงๆเป็นเล่มแรกที่อ่านของแล้วก็คือเปิดโลกนําเราสู่เข้าทางเนธรรมทางสายนี้ตอนนี้ดีใจที่ได้ยินนะจริง ของเองแหะเหมือนกันค่ะก็เริ่มเริ่มฟังบรด้วยกันตั้งแต่อีกเข้ามาทํางานที่นี่ค่ะก็รับฟรอมเรียนอยู่ต่างประเทศกรรมพยากรแล้วก็ตามหลังจากนั้นคือเป็นเล่มแรกที่ทําให้รู้จักนําประกาดังตรีและอีกไปตามเก็บเรื่องอื่นๆแต่ทีนี้อีก็จะไปตอดเรื่องมหาสติประธานสี่เศรษฐีคนตายอะไรอ่ะทำไมแบบว่าก็ตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มเราก็เริ่มต้นจากนิยายก่อนใช่คือตัวเองเป็นคนชอบอ่านนิยายค่ะ ก็เลยทําให้แล้วก็มองธรรมะเหมือนอย่างที่คุณดังปรินเล่าว่าแบบเออมันก้นมันสําหรับคนอายุมากไม่ใช่เรามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแต่ว่าเป็นคนชอบอ่านนิยายแล้วพอดีไปเรียนต่างประเทศมันก็คงมีจุดอะไรบางอย่างในชีวิตทําให้แบบเออพอหยิบมาอ่านแล้วว่าเฮ้ยเออมันใช่อ่ะเลยนะคะพออ่านไปเรื่อยๆจนแล้วก็เลยทําให้ศึกษาธรรมามากขึ้นค่ะจนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ด้วยธรรมะใกล้ตัวด้วยคือใช่จริงจเนี่ยนะอย่างเออ่ ที่ฟังวิธแบบม า, าหลายคนโดยเพอะผู้หญิงนะบอกว่าจะรู้สึกอินกับกรรมพยากรตอนชนะกรรมเป็นพิเศษ <c oughs> เพราะว่าเ <c oughs> นี่ยอย่างย่างให้อีกสังเกตนะนิยายแต่ละเรื่องของพี่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเกี่ยวกับเสียงในหัวอย่างทางนารุพานเนี่ยเสียงในหัวจะเหมือนผู้ชาย ผู้ชายเป็นหลักแต่กรรมพยากรตอนชนะกรรมเนี่ยจะเสียงผู้ชายเป็นหลักมันมันขึ้นอยู่ว่าเราเลง็งเล็งไปที่เป้าหมายกลุ่มไหนเนี่ยคือจริงๆอ่ะพี่นะไม่ได้แบบว่าจำกัดตัวเองอะ่ะว่าจะต้องเป็นนักเขียนแนวไหนหรือว่าจะต้องอะไรเรามีจุด เป้าหมายหลักว่าจะต้องเอาคนเนี่ยมาสนใจธรรมะให้ได้ทุกกลุม่มหรือ ม, มากกลุ่มที่ดุจไทยเวีนไปได้คค่<า>่ะะยังล่าสุดเนี่ยนะจอมเทพเนี่ยใช่เด็กเด็กนี่บอกเลยนะ <c oughs> ไม่มีนักเขียนแก่ๆสักกี่คนคือตอนนี้แก่แล้วเหรอะแก่แล้วผ่าเห็นแล้ว <c oughs> แต่แต่คือมีแรงบันดาลใจค่ะ<า>มีนักเขียนชาวอังกฤษอยู่คนชื่อโรอาวดาวอ๋อเนีอยคนนี้เนี่ยเขียนแบบ เคียดเคียนมาก่อนอเขียนแบบโพดโทนมาก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยลงท้ายเขามาเขียนหนังสือให้ลูกเขาออืืคตอนตอนนั้นเราเราแบบว่าตอนที่เราเราอ่านงานของเขาเราก็ยังไม่เข้าใจอารมณ์นั้นนะแต่พอเรามีลูกของตัวเองเนี่ย<ะ>เราเข้าใจเลยว่านี่ให้การเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ย<ะ>มันง่ายนิดเดียวนะคือมันเราเป็นนักเขียนอยู่แล้วเนี่ยเป็นนักประพันธ์อยู่แล้วอะ่ะ ก็แต่งเรื่องให้ลูกฟังทุกคืนก่อนเขานอนเล่าสดๆเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่านิทานของคนอื่นเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะนี่พูดจริงๆนะคือบอกว่าอุตสา์เข้ามากันเป็นหลายร้อยหลายพันปีอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยสอนอะไรผิดเอายกตัวอย่างง่ายๆนะบอกอเลดินกับไดเจียงวิเศษเนี่ย บอกโจรเป็นพระเอกไงน่าเห็นใจด้วยบอกว่ามือมือเท้าครบนะวิ่งเต้นได้แข็งแรงทุกอย่างแต่น่าเห็นใจไม่มีทังขอขอเศษขนมปังหน่อยแล้วเสร็จแล้วบอกว่าอเอาไปแจกคนโจรแล้วเสร็จแล้วนั่นเป็นความดีแล้วเสร็จแล้วลองอีกลองคิดถึงความจริงนะถ้าคนมันกล้า ขโมยแม้กระทั่งเคค้กเศษขนมปังเแม้มันเข้าถ้ำไปวันเดอร์ไอเคฟออฟวันเดอร์เนี่ยบอกไม่แต่สมบัติสักชิ้นเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยเราก็เกิดไอตอนที่ฟังเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเราเกิดข้อข้องใจนะอเออว่าเฮ้ยนี่มันพระเอกอะเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นอีกแจ็คผู้ชายักษ์เยอะแจ็คผู้ชายักษ์เนี่ยมันไปขโมยของเขาค่ะ แล้วมันฆ่าเขาอีกแล้วบอกแล้วมันดีตรงไหนเนี่ยอเนีบอกเป็นฮีโร่คือคือเนี่ยมันทําให้เด็กหลายคนเนี่ยังใจนะว่าถ้าหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนตัวโตเป็นยักษ์ปักหลันเนี่ยลังแกได้เลยไปขโมยของมันได้เลยไม่ไม่มีความผิดคือมันไม่ได้จาเป็นเรื่องราวนะแต่จำเป็นอารมณ์เด็กเนี่เวลาที่มันมันฟังแล้วอินมากมาก อย่างผมเองเนี่ยคือตอนตอนฟังนิทานพวกนี้มันอินมากเลยนะแล้วทุกวันเนี่ยถามว่าชอบไหมอะลาดินกับตะเกียงพิเศษยังเป็นอะไรที่แบบว่าจําได้ว่ามันแฟนตาซีมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราสนุกแล้วชีวิตวัยเด็กของเราเนี่ยมันล่องลอยไปบนฟ้ายามราตรียเลยนะแต่ถามว่าไอสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราเนี่ยนะถามตัวเองเนี่ยว่าพี่ตกลงเนี่ย การขโมยเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันผิดหรือมันถูกมันได้หรือไม่ได้มันเป็นพระเอกหรือมันเป็นเป็นผู้ร้ายกันเนี่ย<ะ>บางทีมันสงสัยน ะ, ะ ม, นมันเกิดมันเกิดอารมณ์แบบว่าตัดสินไม่ถูกค่ะทีนี้พอเรามีลูกเนี่ยอืม<ะ>แล้วอ่ลูกให้อ่านนิทานให้ฟังไม่ใช่เรื่องนี้นะคจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคืออ่านแล้วเราถามตัวเองเนี่ยว่า้ที่ลูกได้อะไรเนี่ย บอกผู้สาธตรมออกมาเป็นหนังสือแพงๆนะว่าประมาณว่าคือคือคิดแบบคนฟุ้งร้านคิดอะะ่ะข้อสรุปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอนอกจากว่าอย่างอย่างเช่นยกตัว อ, อย่างนะออบอกถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยเป็นผู้ดีลูกผู้ดีเนี่ยให้ใช้วิธีพิสูจน์โดยการเอาเมล็ดถั่วเมล็ดงานเนี่ย ไปวางไว้บนที่นอนอถ้าถ้าหลังบุ๋มเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ดีเฮ้ยแล้วมันได้อะไรเนี่ยเออคือ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าถ้าเราเล่าให้ลูกฟังเราก็ไม่กล้าสงสัยใช่ไหม <c oughs> ถ้าเรา <c oughs> เล่าแบบตามๆกันเนี่ยเฮ้ยเขาเอามาอย่างนี้แสดงว่าเขาถูกมั้ยแสดงว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรดีบางอย่างแต่เราเข้าไม่ถึง <c oughs> แต่ด้วยความที่เราโตแล้วอะ่ะแบบว่า เอาไม่ใช่โตแล้วแก่แล้วใชหแล้วก็ผ่านการเขียนหนังสืออะไรมาเยอะค่ะแล้วเรามองเห็นเนี่ยว่าไอ้คนเขียนเขางองอะไรเขาคิดอะไรเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าเฮ้ยไม่เอาอะ <S <S เราเราจะถ้าเราจะต้องเล่า น, นิทานให้ลูกฟัง<ห>คุกคืนเนี่ย<ห>เราจะไม่เอาหนังสือก็มือมาเล่า<ห>เราจะแต่งเองยังรู้เลยว่าลูกจะได้อะไรค่ะแล้ว p o i n ของเราก็คือว่า แต่ละวันลูกจะมีชีวิตใช้ชีวิตแบบหนึง่งหรือว่าดือ้อทนเถียงหรือว่ามีไอความไม่มีมารยาทอะไรต่า ง, างาๆนานาเนี่ยนะแล้วเราสามารถเอาดึงเอ า, าอืมผสมเป็นเรื่องสนุก ออืแทนทำซ้อนคือคือลูกคือลูกของเพี่เนี่ยนะะจะเป็นเด็กดื้อที่สุดในโลกอ่ามันมันดื้อดื้อมหาศาลคนที่ดื้อเด็กที่ดื้อที่สุดในโลกคือเด็กประเภทไหนรู้ไหมคือเด็กที่มีเหตุผลออบอกตัวเองว่าบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยตัวเองทําอย่างนี้ไปคิดแบบนั้นแบอนี้แล้วลูกพี่เนี่ยมันมันดื้อที่สุดในโลกจริงๆริแม่พี่ค้นผมว่า ถ้าสอนมันตรงๆงเนี่ยมันไม่ฟังมันบอกมันฉลาดอยู่แล้วคือมันเช่นนี้จริงๆอย่างอย่างแฟนพี่เนี่ยเป็นเป็นหมอเด็กนะงัดเอาทุกวิธีที่จะปราบเด็กกำราบเด็กมาใช้กับมัน ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยเอาเอาไปขังในห้องครัวอะไรเงี้ยมันมองตาแป๋วเลยยังมองอย่างรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราก็ปล่อยมันกี่ขวบคะตอนนี้ตอนตอนตอนนี้เจ็ดขวบกว่าแต่ตอนนั้นน่ยคือสองสาขวบเนี่ยมันรู้เรื่องแล้วเพไมะนั้นคือคือลูกพี่เนี่ยเลยกลเป็นว่ามาบอกเราบังคับเราว่าเฮ้ยต้องมีวิธีฮะไม่ใช่อื แบบไปสอนมันตรงๆเลยนะอยู่ๆทำอย่างนี้ไม่ดีนะลูกเนี่ยมันไม่ฟังจริงๆนะแต่เราสังเกตว่าถ้าเราขยับปุ๊บบอกนี่จะเล่านิทานให้ฟังมันหูพึงเลยเะเออค่ะเลยกลายเป็นการค้นพบของเราว่าวิธีสอนลูกที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่การกบรมสั่งสอนค่ะ แต่เป็นการเล่านิทานให้เขาฟังแล้วต้องเป็นนิทานที่สนุกด้วยเป็นนิทานที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากพอที่จะติดตามให้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะพอพี่ส่งพอพอเหมือนกับใช้เวลาทุกคืนเป็นเวลาหลายปีนะในการเล่าแต่งเรื่องใหม่ทุกคืนซึ่งตอนแรกมัน จะสะเปซสปานิดนึงบอกว่าคือเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมาจากการที่เราเห็นเขาใส่ชุดนอนลายดอกไม้บอกอันนั้นเป็นคืนแรกเลยนะที่ที่จะเล่าแบบแต่งสดคือบอกอ้ํงคุณพ่อจะเล่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟังค<ะ>่ะไม่มีที่ไหนมาก่อนในโลก<ม><ม>นิทานเรื่อง<ว>นี้ชื่อว่าที่เล่ามีบันทึกไว้ไหมมีน่าจะเอ า, เอามาเผยแพร่มาก ที่นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเจ้าชายดอกไม้คือเอามาจา ก, จากาเห็นเดียวนั้นแล้วก็คิดเดียวนั้นเลยม้ว่านิทานเรื่องนี้คือเจ้าชายดอกไม้เจ้าและก็ได้ชื่อเรื่องน่มันก็มีเนื้อเรื่องตามมาบอกว่า<ๆ>เจ้าชายดอกไม้นะเป็นลูกของพระราชาพระราชนีมีความสามารถ <S <S <S <S คือสามารถคุยกับดอกไม้รู้เรื่องนี่แล้วโอ้ยตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขารอเราเลยบอกว่าเราเราเล่าม่วนเนี่ย แต่ด้วยแบบการใช้เสียงการเอใส่ความสนุกขนานเข้าไปให้เขาเกิดภาพในหัวเนี่ยเราค้นพบว่าเด็กสามารถสนุกได้ครั้งทั้งที่ไม่ต้องมีพอดเรื่องอะไรแบบมันเป็นจริงเป็นจังมากมายนะค่ะคือจริงๆเขาก็คงอยากจะฟังในสิ่งที่พ่อกับแม่เล่าให้ฟังอยู่แล้วคือคือพี่ค้นพบอย่างหนึ่งว่าบางทีเนยไม่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นใครขอให้มีเสียง ที่บอกเขาว่านี่กำลังเป็นนิทานเขาเอาแล้วแล้ว ม, มันมีอาการเปิดหูเปิดตาแบบรับเต็มที่คือจากอาการที่ว่าใจปิดมไม่ไม่ยอมฟังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะมันเปิดที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เปิดที่สุดอของวันนะเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าที่เนี่ย เราดึงเอาไอ้พฤติกรรมเขาในแต่ละวันเนี่ยมาผูกเป็นเรื่องแล้วแล้วทำให้เรื่องมันคลี่คลายไปยกตัวอย่างเช่นเด็กเกเรเนี่ยโตขึ้นมันเจออะไรนะหรือว่าเด็กที่แบบชอบงอนพ่อแม่แล้วหลงทางเนี่ยนะหาพ่อแม่ไม่เจอเราเราใส่เสียงแบบพ่อแม่นี่ก็หาหาลูกอะไรเงี้ยแบน่าสงสารอะไรเงี้ยนะเออโหมันคือมันไม่งอนอีกเลยนะครับคือคือเราก็ มันค้นพบในตัวเองไงว่านิทานเนี่ยถ้าขอแค่ทำให้มันสนุกเนี่ยเรา<ะ>เราจะให้ชีวิตเขาเป็นไงนะมันเป็นไปตามนั้นเลยนี้อย่างเนี่ยจอมเทพเนี่ยก็เหมือนกับผ่านมาไดสี่ป<ะ>ีคือเล่าเกือบทุกคืนนะถ้าทาถ้าไม่ได้ติดอะไรเนี่ยจะเล่า<ะ>ตลอด<ะ>แล้วก็เป็นการแต่งตด ตลอดทำไมดอกผลึกเนี่ยจากเจ้าใช้ดอกไม้นักเดินทางไกลโรงเรียนซอมบี้อะไรเงี้ยนะกลายมาเป็นเรื่องจอมเทพตอนแรกเนี่ยเรื่องเรื่องจอมเทพเนี่ยชื่อว่าผีฟุ้งซ่านเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนเขาก่อนนอนเนี่ยเราสังเกตเนี่ยว่าเขาฟุ้งซ่านจัดออืแล้วเราก็ถามเขาว่าเนี่ยอัง่งที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก่อนนอนเนี่ยจำคานไหม รำคาญตัวเองไหมเขาตอบทันทีเสียงชัดเกณฑมากยังจําติดหนบอกรำคาญแ <c oughs> สดงว่าเด็กทุกคนก็ต้องรำคาญเหมือนกันอืมค <c oughs> ่ะนะคือมั น, นรำคาญความคิดของตัวเองอก่อนนอนเนี่ยมาตั้งแต่สามสี่ขวบเด็กเราผู้ใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ปล่อยให้มันแบบว่าฟงมาก ข, ข, ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเด็กเนี่ยนะถ้าฟุงงซ่านถึงจุดหนึ่งโดยที่เราไม่ทําอะไรเนี่ยเขาจะหยุดฟุ้งซ่านไม่ได้ แล้วก็แล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นวัยรุ่นที่คิดมากหรือว่าคิดเรื่อยเตามใจชอบนี่ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเนี่ยด้วยการเล่านิทานผีพงส้านบอกว่าผีพงส้านเนี่ยถูกกำจัดออกไปได้ด้วยเทพเทพที่นะบอกว่ามาเป่าลม ไล่ผี่พุ้งซ่านอะไรอย่างนี้แล้วมันมเวิร์กจริงๆคือลูกเราเนี่ยก็จะพยายามเป่าเป่าไล่เป่าอย่างนี้นะคือคือมันมีหลักการเอฝึกสมาธิแบบฝลั่งเขาอยู่แบบหนึ่งคืว่าหายใจเข้าที่จมูกแต่ว่าเป่าออกที่ปากแล้วมันเวิร์กคือทําให้ความฟุ้งซ่านเราเราบอกให้เขาเล็งในหัวเนี่ยกองทับผีพุ้งซ่านมันก็เจอกระเจิงหมดเลยเห็นไหมตอนที่ลมเป่าไปผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะอไม่ใช่ใช้ได้แต่เด็กนะอ่า เสร็จแล้วพอเล่าไปเล่ามามันก็กลายเป็นผูกเรื่องผูกราวมีผีมีเทพมันแล้วผีเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ผีขุนศรันอย่างเดียวผีกโกรธผีขี้น้อยใจ<น>ผีขี้งอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าพอพอมีฝั่งผีฝั่งเทพนี่เลยเออมันมาจากไหนมันก็เลยกลายเป็นมีจอมเทพจอมมารขึ้นมาอืเ น, นี่ยก็เลยกลายเป็นเออ่บอกว่าเป็นนิทานที่เราจะ ทำให้เด็กเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นมา<ะ>ด้วยการเห็นอารมณ์ของตัวเองเป็นภาพแล้วมันเวิร์กตรงที่ออพอเด็กสนใจภาพเนี่ยนะภาพดูมีสีสันดูมีความน่าสนใจแล้วเนี่ยเขาจําเป็นอารมณ์ของเขาจริงๆ อ, อย่างเช่นผีโกรธเนี่ย เ, เวลาที่เกิดความโกรธเวลาที่เกิดความร้อนขึ้นมามันจะนึกถึงภาพภาพหนึ่งภาพของผีคือเขาจะไม่นึกเป็นแค่แบบว่านามธรรม ที่นึกไม่ออกอว่าเป็นยังไงแต่เขาจะนึกถึงภาพผีที่จำมาจากนิทานแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะคุยกับลูกง่ายเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพอเห็นเป็นผีเห็นเป็นอะไรเนี่ยนะนี่ก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราจะทำในชีวิตนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่บอกว่าเจาะกลุ่มหนุ่มสาวก็เจาะกลุ่มคุแกรหรือว่าเจาะกลุ่มผู้ใหญ่เราเอาทุกกลุ่ม ที่เราเห็นว่าเรามีความสามารถมากพอที่จะประดิษฐ์หรือว่าที่จะเขียนอะไรให้เขาเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เนี่ยนำเขามาทางธรรมะได้ค่ะก็คือจริงๆก็คือทุกกลุ่มเนาะที่สามารถที่จะนั่นได้แต่ว่าไม่ได้ค่ะแล้วทีนี้อยากจะสอบถามค่ะว่าแล้วที่มาที่ไปของนาปากกาเนี่ยค่ะคือมาได้ยังไงแปลว่าอะไรแล้วเราใช้นาปากกาเนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขียนบทความธรรมะเลยไหมคะ เอาตรงๆเลยนะคือนามปากกาเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกอะไม่ไม่ใช่นามปากกาหรอกมันเป็นชื่อของพระเอกนิยายน้ำเน่าเรื่องนึงที่เราเขียนก่อนก่อนที่เราจะเขียนธรรมะเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราเคยเขียนนิยายแบบเด็กๆมาก่อนอันนี้นี่คือตอนป .6 หรือเปล่าคะเออันนี้ตอนอายุประมาณสิบแปดตอนตอนนั้นแหละชอบ คือคือเข้าใจธรรมะแล้วค่ะนะแต่ว่ายังเขียนนิยายแบบฟุ้งซ่างของตัวเองอยู่เขียนเขียนให้ตัวเองอ่านแล้วก็ให้เพื่อนสนิทแก้คนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบช่วงวัยรุ่นคือนิยายเรื่องเนี้ยนางเอกชื่อลานดาวออคือคือที่เอามาเป็นการพยากรณ์เนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยมันมันเป็นนางเอกในเรื่องเรื่องที่เราแต่งก็ได้เป็นเป็นเรื่องที่เราชอบ ค่อนข้างมากเพราะว่าลานดาวมันตรงข้ามกันกับดังปรินดังป ร, รินเนี่ยปรินแปลว่ญญาหญ้าอยู่ดินนะส่วนลานดาวเนี่ยก็อยู่บนฟ้านาะนแล้วก็คือแต่งถึงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างหญิงกับชายอะไรเงี้ยน ะ, ะนี้พอออายุยี่สิบหลังจากศึกออกมาแล้วอยากเขียนบทความธรร ม, มกะก็นึกไม่ออกว่าจะใช้ชื่ออะไรดีก็ คืออยู่ๆก็เอาเอาชื่อนี้แหละที่พระเอกชื่อพระเอกที่เราชอบที่สุด <Ừ. S 2> และเรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเรา <Ừ. S 2> คือคือจะใช้เตือนตัวเองง่ายไอ้นำบัตเนี้ไม่ใช่เรานะ <Ừ. S 2> อ่านี่เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งคือคือคิดแบบตอนนั้นน่ะว่าเราเราจะไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่านี่เป็นผลงานหรือว่าเป็นความสามารถหรือเป็นอะไรของเราเรา<ะ>ทําเนี่ยตั้งใจถวาย ให้กับพุทธศาสนาค่ะนี่คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนรู้จักชื่อดังกลิ่นมากกว่าชื่อจริงของเราใช่มันก็เลยกลายเป็นชื่อชื่อจริงยิ่งกว่าชื่อจริงของเราไปแล้วนะ่ะแต่ว่าหนังสือคอมพิวเตอร์คงจะใช้ชื่อนามสกุลจริงใช่ใช่สันไมตรีเบนแต่ตั้งแต่บทความแรกเนี่ยใช้ชื่อดังกลิ่นมาเนี่ยคือคือโดยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมาก เันไม่ได้กะ ว, ว่าวันหนึ่งจะเป็นที่รู้จักหรืออะไร ค, คือเราแค่จะใช้เตือนตัวเองอว่าเนี่ยความหมายมันดีนะตรินแปลว่ า, าหญ้ามันผ่านร้อนผ่านหนาวถูกเหยียบยำ่ำนะแต่มันก็ไม่ตายออนะแล้วคือช่วงช่วงเด็กๆจะมีความทุกข์แบบหนึง่งที่ว่าที่มันมันเหมือนกก่ชอบ โดนอะไรรอบข้างเนี่ยมาทำให้เจ็บปวดนะะจะเป็นเพื่อนก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นอะไรเราเรามีความรู้สึกว่าคนในโลกเนี่ยชอบทำร้ายใจิตใจกันแล้วชื่อนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นชื่อที่เราบอกว่าอืมเราเราผ่านมันมาได้นะแล้วก็ไม่ตายยังไม่ตายโดยเคยช่วง 16.17 สิบเจ็ดเนี่ยนึกอยากตายบ่อยมาก <_ <d> _>ออแต่ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายนะคือเป็นความอยากตายแบบคนที่มันมีความทุกข์หรือว่าอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกมันเหมือนคนตาบอดที่อยู่ในโลกมืด อ, อแล้ววันหนึ่งมันได้รับแสงสว่างไม่ใช่ว่าสายตาของเราดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราเห็นโลกด้วยแก้วตาของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นแต่ว่าใจของเราเนี่ย<อ>มันเปิดออก นะอเ อ, อไอ้ตัวนี้ก็เลยเออเอาชื่อดังตรินนี่แหละมันมันมีความหมายตรงนั้นหแหละว่าใจของเราเนี่ยมันเริ่มจะรับแสงสว่างในแบบที่ทาให้เราเนี่ยไม่ต้องตายก็ได้นะ อ, อยู่แบบจะโดนเหยียบย่ำจะโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราไม่ต้องตายก็ได้จากกุกภาพก็ดีจากเพื่อนจากผู้หญิงจากอะไรต่อมีอะไรนะก็เรียกว่าเป็น นำปากกาที่ต่ใอใช่ใช่ใ ช, <c oughs> ใช่ตอนแรกก็ดูว่าแปลว่าอะไร <c oughs> คืออะไรค่ะนะคะแล้วก็มีเสียงกระซิบมา ว, าว่าวันนี้มีคำถามจากสมาชิกหลายๆท่านเตรียม <c oughs> สมาถามพี่ตุลเยอะมากเลยอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปคำถามอีกขออยากทราบเรื่องนึง <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับที่ที่ได้อ่านงานเขียนที่ชื่นชอบมากนะคะก็คือ จัก์ใจบอกอในนิตยสารธรรมใกล้ตัวอันนี้มาเป็นยังไงมายังไงถึงได้ได้มาลงมาทำที่นี่ค่ะของใกล้ตัวธรรมใกล้ตัวเป็นเหมือนกับตอนตอนนั้นพี่เขียนบทความลงอาทิตย์ละครั้งนะเราก็รู้สึกว่าเขียนเขียนไปแล้วมันจะอยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเขียนได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะก็เลย บอกว่าเออถ้า เ, ออเราตอนนั้นมีคนติดตามอยู่พันกว่าคนนะแล้วก็เออถ้าหากว่ามีคนอื่นๆที่เขามีความสามารถในการจีบเขียนเนี่ยก็ได้โชว์ฝีมือบ้างได้เป็นที่รู้จักบ้างเนี่ยอเออเราเอาเราเอาพวกที่มีความสามารถมาเป็นที่รู้จักเนี่ยก็คงจะดีนะอเออก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมครับเนี่ย มาทำนิยสารด้วยกันไหมนิยสารแบบว่าออกรายสัปดาห์ใครอยากเขียนอะไรก็เขียนนะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นธรรมะใกล้ตัวนี้อย่างพี่เองก็จะบอกว่าอ่ะคนคนคนรู้จักเราอ่ะใช่ไห ม, มก็ก็เลยแบบว่าอ่ะเขียนเขียนเป็นบทความแรกนะแล้วก็ํำว่าจากใจบอกก่อใกล้ตัวเนี่ยก็ คำว่าจากใจบอกก่อ น, นย่างคนใช้กันเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าคำว่าใกล้ตัวนี้ก็มาจากธรรมะใกล้ตัวคำว่าใกล้ตัวนี้ก็หมายความว่าเอาเรื่องที่มันหยิดจับได้รอบตัวมาเขียนมาคุยกันใช่เลยใช่เลยมันช<อ>ใช่เลยเลย <laughs> พราะเปิดมาปุ๊บจะอ่านอันนี้ก่อนเลย <laughs> แล้วก็จะมาโพสที่ facebook แบบประจํามากเลยแบบขาประจําเลย <S <S ใช่เพราะว่าคือฉบับนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเออธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบมันไกลไกลต้องแบบต้องเข้าถึงเพราะว่าเล่มธรรมะถ้าแบบเพียวอย่าง ท, <อ>าที่ที่เล่าอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านยากมาก<อ>าค่ะเพราะพว ก, กอย่างปอมก็จะเริ่มอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากเ น, นาะธรรมะใกล้ตัวจากกรญชยากรแล้วมันค่อยๆอัพเร็วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะธรรมะง่ายๆเนี่ย ไม่ใช่แค่คนที่เป็นเบกิเนอร์หรือว่าเริ่มต้นนะคนแ ก, แก่ก็ชอบอเพราะว่าธรรมะที่มันทำให้ใจรู้สึกเรียบง่ายแล้วก็ส ง, งบเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่ยุ่งยากไม่ใช่ธรรมะที่จะต้องมาท่องสับแต่งอะไรกันยากลำ บ, <ห>บากเป็นพ อ, อือเอารแต่เป็นธรรมะที่ทำให้เราปร่งได้ธรรมะที่ทำให้เรายอมได้ธรรมะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเออไม่ต้องยึดอะไรก็ดีเหมือนกัน ลักษณะของใจที่มันไม่ยึดเนี่ยมันมีใจอยู่ดวงเดียวที่มัน ว, ว่างๆที่มันสบายอยู่ที่มันสงบสุขอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านธรรมะไหนนะแล้วเกิดความรู้สึกเข้าถึงความรู้สึกตรง น, นั้นได้เนี่ยพอแล้วค่ะ <ถ emon S 3> อย่างตอนนั้นที่ที่จะแบบว่าเออคือเกิดแบบโหจริงเหรออะไรเงี้ยก็คือมีมีสเตอร์แมทเซนเจอร์เขียนว่าเป็นเรื่องการเงินก็ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยกับธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ได้รู้จักคุณชนินทร์ก็จะทา<ต>ําใกล้ตัวใช่แต่อยากสอบถามอีกนิด น, นึงว่าแล้วตอนนั้นทำไมเราถึงออมาทำเป็นเสียงด้วยะคะซึ่งจริงๆมันดีมากนะคะเพราะว่าเหมือนเข้าถึงมากมันดูเหมือนจะเริ่มจากคุณแฮปปี้พี่ชายกรอบเขามืออ๋อ อ, ะะอยู่นี่เองที่แทนันี้นี่เอง <laughs> น่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นเน่ะ <laughs> เพราะเพราะอย่างพอพอคุณแฮปปี้เอามาทำเนี่ย ไม่ไม่รู้ผมจำสัพหรือเปล่านะถ้าจำสั์ขอโทษด้วยนะคือก็แต้ว่าอลิสาจัตตารนน์เนี่ยเขาก็เกิดแรงบันดาลใจบอกว่าอยากอ่านบ้างก็ขออ่านได้ไหมจะหวงไหมจะห้ามไหมจะมีผลกับยอดไทยอะไรไหมก็บอกไม่ต้องเอาเลยเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวแถมเงินให้ด้วยนะแต่ไม่ไม่ได้แถมนะเขาาไม่ได้ยากจนกันนะคือคือหมายความว่า คือซัพพอร์ตเต็มที่เลย<ะ>อยากได้อะไรอยากจะให้ช่วย<ะ>ตรงไหนหรือ<ะ>เขาขอแก้บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเอขอเป็นแบบว่าเป็นเพศหญิงได้ไหม<ะ>ให้มันหมอะกับเปียงหรืออะไรเนี่ยเราโอเคเต็มที่ทุกอย่างนี<ะ>่แล้วเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าคืออันนี้ความเข้าใจนะทีะ่บอกว่าที่คุณแฮปปี้เอามาอ่านให้คนตาบอดด้วยกันฟังเนี่ย<ะ>แล้วคนคนตาบอดด้วยกันแฮปปี้มากเนี่ย เราก็จำไว้ว่าเสียงอ่านหมายถึงให้คนอาบอดได้ฟังซึ่งเรามีความมันมันมีความสุขเหลือเกินเลย <c oughs> มันมันมีความสุขมากที่ <c oughs> ได้มีส่วนแล้งงานของเราเนี่ยเหมือนกับ <c oughs> เข้าไปเอาเอาโลกของเราเนี่ย <c oughs> ไปแบ่งให้คนอีกโลกหนึ่ง <c oughs> ที่ที่เนี่ยเ ห, เห็นเห็นแหละ มันจะต้องด้วยกันได้แต่มองอะไรไม่เหมือนกันนะได้ได้มองเห็นสิ่งเดียวกันกับที่เราเห็นแล้วตั้งใจให้เห็นนะนี้ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยหนังสือเสียงมันไม่ใช่แค่คนตาบอดที่อยากฟังใช่มันกลายเป็นว่าทุกคนที่รถติดไม่รู้จะทําอะไรนะแล้วก็แต่ว่าบางทีเนี่ยอยู่ว่างๆเออแบบขี้เกียจอ่านนะแล้วก็เปิดอยู่ในบ้านนั่นแหละ มันมันได้กันทุกกลุ่มทุกงูเหล่า <ฮะ S 1> เลยเออเราก็ดีใจเพราะว่าหนันงสือเราก็รุ่นแรกๆนะรุ่นบุกเบิกที่เหมือนกับว่าคือหนังสือเสียงมีมานานแล้ว <ฮะ S 2> แต่หมายความว่าไอ้กลุ่มธรรมะ ส, สาหรับคนร <ฮะ S 2> ุ่นใหม่เนี่ยนะมันมันก็ ได้มีดาวเข้าไปมีส่วนด้วยอใช่เราก็แบบมีการใส่เพลงแต่อะไรทําให้มันน่าสนใจพวกอะไรใช่แล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นทีมงานเลยเนาะมีพี่แต้วยมีพี่หนึ่งในนี้พี่อดแกทอยู่ในนี้วันนี้พี่ยอดก็มายอดนี่คือเป็นนักพากเลยใช่ค่ะคือแบบฟังเสียงพี่ยอดแล้วแบคือคืออีก็ตามตามงานที่ที่ที่อ่านที่ลงเสียงกันไว้มาเป็น10บสร้อยร้อหลอทุกสัปดาห์เดี๋ยวจะรู้อายุก็ก็นั่นแหละคือฟังเสียงแล้วเพิ่งเคยเจอตัว วันนี้ยเรารู้สึกแบบคลิกคลาสมากกับปอมอะไรอย่างเงี้ยจนปอมเบรกบอกเฮ้ยเราควรจะให้ความสนใจพี่ตุนไม่ใช่เหรอแต่เราก็สนใจที่ยอดมากค่ะนั่นแหละแล้วแล้วคือเป็นจุดเริ่มต้นไงที่ที่เหมือนเปิดโลกให้พวกเราอ่ะได้เข้าถึงหนังสือดีๆคือคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือรอค่ะรอว่าเมื่อไหร่ออกออกปุบโหลดโหลดแล้วฟังวันนี้แบบคือตอนอันนี้ขออนุญาต <c oughs> คบบส่วนตัวนิดนึงก็คือ บ, บพอตอนเราเรียนอยู่ที่ต่างประเทศค่ะเรียน อ, ยอังกฤษเนี้ยมันเราทํางานวันวั น, ว น, นึงเขียนงานวิจัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้อยู่กับตัวเองเยอะมากมันก็เลยทําพอเรามาอ่านฟังธรรมะแล้วเราก็มาลองปฏิบัติอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้หมันจริงๆคือเรื่องธรรมชาติคือเรื่องใกล้ตัวของเรามากๆางเงี้ยค่ะก็จะจาเนี่ยเลยค่ะธรรมะใกล้ตัวจากหนังสือธรรมะของพี่ตุลขออนุญาเรียกให้ตุล <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็แบบทําให้เราแบบสนใจที่จะศึกษาธรรมะลึก ก็อนุมทนาไปด้วยกันค่ะก็อีกคิดว่าสมาชิกที่สงสัยเต้องมีคำถามอยากจะถามถ้าอย่างนั้นใครที่มีคำถามนะคะยกมือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอาสาเชิญไปหาอโ มีใครมีใครฮะอะได้แล้วได้แล้วครับวัสดีับผมสักพิธอดอนบอสกออินเนี่ยเราเราคุยกันทางอีเมลมาตั้งแต่แรกแ ร, กแรกเลยนะได้แล้วเนี่ะครับพีนพี่ต้นบทเห็นพี่ชายก็กรอบ <c oughs> ครับก่อนเดี๋ยวพิจารณาเราได้พิจารฝั่งนิดหนึ่งว่าในเสพติจารย์อยัางกับพยากรภาคชนากรรมนี้แล้วก็อีกอีกอย่างยๆเล่นเนี่ยเราก็นําไปให้ผู้ต้องขังในฐานศาลหญิงกลาเป็นคนประลิทธิ<ช>์ได<ห>้ใช่ใช่ใช่อย่างกับก็อันนี้รู้ใช่เอาดินอดอย่ากับพยากรณ์นี้คนก็เขาก็ชอบคนแรกเลย <laughs> คนที่อ่านกัน ก็รต้องขักในทศศต์หญิงกลางที่บรรึกเสียงให้นะครับรวยชอบมากกันแล้ะคําถามที่อยากจะถามพี่ก็คือเกิเคยทราบบ้าเคยมีโครงการว่ากัมพยากรจะมีเขียนมั ก, กว่าสองภาคไม่ทราบแต่โครงการนี้ยังมีอยู่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอเล่าแบบนี้นะนิยายเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นโรงเรียนนักเขียนของเรา แล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเห็นประโยชน์ของนิยายแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าความสามารถในการเขียนนิยา ย, ยมันผมไม่ใช่นักประพันธ์ตัวจริง mm hmm. คือคือไม่ได้ไม่ได้ถ่อมตัวไม่ได้อะไรนะอันนี้เล่าเล่าตรงๆว่า uh huh. ความสามารถในการเขียนนิยายเนี่ยมันไม่ได้เหมือนนักประพันธ์ที่เขาเก่งๆกัน เราเป็นพวกที่แบบว่าถ้ามีไฟหรือว่ามีพลัสหรือว่ามีความอยากจะเขียนเนี่ยมันก็จะเขียนได้แต่อยู่ๆไปเค็นแล้วก็พยายามเขียนออกมาถึงแม้ว่าตั้งใจแบบอยากจะให้เกิดประโยชน์อยากจะอะไรก็ตามเนี่ยมันมันไม่ออกบางทีมันไม่ออกแต่อนนี้ยังมันมีอยู่อันหนึ่งอันเนี้จะเล่าให้ฟัง จะเป็นอุทาหรณ์ก็ได้คือมีอยู่ช่วงที่นิยายขาดตลาดเพรเริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักค่ะแล้วหนังสือเนี่ยก็ไม่มีออกมาสู่ตลาดทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ประทับใจชอบใจทางมาลื้อผ่านมากนะฮะแล้วเขาก็แบบขอยิบขอยืมกันแล้วมักจะเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันคือว่ายืมไปแล้วไม่คืนนะ mm hmm. อ้าแล้วแล้วมีอยู่คนนึง เขามาขอร้องมาอ้อนวอนนะทางทางเว็บผมจําไม่ได้แน่ว่าเว็บไหนหรือว่าจะเป็นสเตตัสในเฟซบุ๊กหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนที่เขารู้จักนะมาเอาไปแล้วก็ไม่คืนเขาอยากได้คืนมากขออะไรก็ไม่ยอมคืน <c oughs> นะ <c oughs> แล้วเขาก็เลยแบบว่าช่วยกรุณาพิมพ์ออกมาใหม่หน่อยได้ไหม <c oughs> ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงที่แบบอยากจะแก้ คือเพราะรู้รู้พอยเลยนะรู้<ะ>เป็นจุดเลยว่าอันไหนที่เบรกไม่ให้คนทั่วไปคนส่วนใหญ่เนี่ยอ่านได้คือมันยากมันมีจุดยากมันมีทำมั้ยมันมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องมีก็ได้อะ่ะค่ะเราก็อยากจะแก้เราก็ให้คําสัญญาเขาไปบอกว่าเนี่ยจะทําให้เสร็จภายในปีนี้พิมพ์หนังสือออกมาใหม่เออคือคือตอนนั้นมีให้อ่านปีๆเขาไม่เอา<ะ>เขาเขาอยากได้เป็นหนังสือนะ เสรแล้วพอสัญญาไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้<ะ>คือมันเหมือนมีอะไรมายื้อแขนยื้อขาอเขียนไม่ออกอคิดไม่ออกนะอเออแล้วสรุปก็คือว่าออกมาไม่ทันปีนั้นแล้วเราตั้งแต่ตรงนั้นนั้นเรารู้สึกว่าเออมันผิดทาสัญญาผิดสัญญาประชาคม<ะ>แล้วเป็นการผิดอย่างใหญ่ด้วยเพราะว่านี้เกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะเรารู้ไงว่าคนที่อ่านไปเนี่ยบางคนนะอ่านแล้วเนี่ยไปบวชก็มี เออมันเห็นประโยชน์ว่าว่านิยายของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับช่วยให้คนเนี่ยย่อยง่ายขึ้นค่ะใช่ใทีนี้พอไปผิดสัญญาเนี่ยแล้มันเห็นผลเลยนะค่ะว่าพอไปเอสัญญาสัญญาเลยกับใครเขาเบี้ยวเราไปจําเลยอ๋ออันนี้คือถือว่าผิดสินใช่ไหมจริงจริงอ๋อคือคือไม่ได้โกหกแต่ว่าผิดสัญญา แสดงว่าใ จ, จริงๆไม่ได้โกหกนะตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจจะออกปีนั้นจริงๆแต่กตรรมส่งผลอ่ะมันส่งผลทัน ท, ทีทันตาเห็นเลย <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่อง เ, องเกี่ยวกับธรรมะไง <c oughs> มันเป็นของของใหญ่นะ <c oughs> นี่เ อ, อมาถึงปีนี้เราได้มองเห็นอะไรอีกมุมห น, นึ่งเนี่ยผ่านมาสิบกว่าปีออืบอกว่าไม่ออกมาตอนนั้นก็ดีเหมือนกันค่ะคือตอนเนี้ยดูวิธีที่จะทําให้เข้าถึงคน รุ่นใหม่ได้ได้ดีกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วแน่นอนนะก็เลยอย่างก ร, รมพยากรเนี่ยนะคุณแฮปปี้คือตั้งใจว่าถ้ามีพลอตถ้ามีไฟพอจะทำอีกนะแต่ถ้ายังไม่มีไฟเนี่ยไม่อยากฝืนเพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่ได้หากินในการเขียนนิยายน ะ, ะเราเราไม่ได้จำเป็นต้องแบบไลฟ์ฟอร์ลิฟวิ่งอ่ะนะนะเราเราอยากจะ ให้ออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันได้อะไรกับคนอ่านจริงๆแล้วสามารถเป็นเหมือนแกเรื่องก่อนๆว่าถ้าอ อ, ออกมาแล้วเนี่ยสามารถช่วยให้ใครบางคนที่ยังไม่เข้าใจธรรม ะ, ะหรือไม่เคยมีแก่ใจว่าอยากจะสนใจธรรมะเลยเนี่ยได้มาสนแล้วก็มาดินกับธรรมะอันนี้คือพอย์ถ้าอย่างนั้นก็คือแต่แต่ทางนฤุพันเนี่ยตอนนี้กาลังเขียนอยู่ตอนตอนนี้เนี่ย เทคโนโลยีนะทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไอ้เรื่องใหม่กําลังเขียนอยู่เนี่ยคือรับประกันได้ว่ามันจะอ่านกันได้กว้างขึ้นเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอยู่เนี่ยงั้นขอมาอ่านนะขอมาอ่านก่อนคือภายในปีเนี้ยตั้งใจจะทําให้ได้นะตอนตอนเนี้ยเอกําลังเขียน แล้วก็แก้เขียนแล้วก็แก้ามาเป็นร้อยรอบแล้ว oh. นะเพราะเพราะตั้งใจว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยคือเราตอนเนี้เราเรามีความรู้แบบนักเขียนหนั้นเขีย น, <Ha. S 1> บบ น, นมาสามสิบกว่าปีเนี่ย hmm. มันเข้าใจว่าบรรทัดไหนเ ah. บรกบรรทัดไหนดึงให้ไปต่อฉุดให้ไปต่อ hmm. นะซึ่ง <c oughs> เราตั้งใจว่าเราจะให้มันมีบรรทัดที่ฉุดเนี่ยทุก <c oughs> บรรทัดเลย นนนนดูเหมือ น, นใจร้ายอะ่ะ เ, เ, เป็นความเป็นความตั้งใจว่าอ่ามันจริงๆแล้วเนี่ยนะในความใจร้า ย, ยจริงจริงแล้วใจดีมากเออแบบแบบว่าเออชุดบั้นท้ายจริงเพราะว่าอย่างอีกอ่านเออเมื่อเช้านี่ก็อ่านเทปตั้ในในในเพจอย่างเงี้ยทําไมเองไม่รู้สุกว่าทุกบั้นทัดอ่ะทุกบั้นทัดจะมีอะไรที่แบบกระชากดึงแบบความรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เลยมันเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยคือคืออ่านแล้วมันโดนอ่ะอ่าเนี่ย อันนี้ขอบคุณมากดีใจที่ได้ยินอย่างนี้แต่ในเรื่องทางนรกพานยิ่งกว่านั้นโอ้อตายแล้วนะก็มีคำถามอีกไหมคะสมาชิกท่านไหนครับ <c oughs> ได้ค่ะแต่ยังจิตยากรพัฒนี่มีผู้หญิงหลายคนโกรธเลยนะ ขาดสวัสดีปลอดเลยแบบว่าเนี่ยไม่เอาละคือใจร้ายคือปิดเลยใจร้ายปิดหนังสือเลยค่ะก็ขอกราบเสวัสดีคุณดังตรีนแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาฟังเพราะว่าก็ตามหนังสืออยู่แต่ว่าต้องขออภัยที่บางทีนิยายมาก่อนธรรมะแต่คุณดังตรีนบอกว่าเขียนนิยายไม่เก่งขอบอกว่า ที่เขียนเรื่องกรำรพยากรตอนที่มีตัวละครตัวหนึ่งที่ปวดปวดเอือแล้ววิ่งขาววิ่งห า, ขาเข้าห้องน้ำน่ะแล้วแล้วแอมีคนหนึ่งอ่ะที่ที่แกล้งชี้ไปอีกทางหนึ่งอ่ะไอเราก็นั่งขับทํางานก็นั่งยิ้มไปลูกค้าคงยิมนึกว่าเอ๊อทำไมยิ้มรั้มโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยก็ท๊อก็ก็แต่งได้แบบอืก็ถึงใจพ อ, <c oughs> อสมควรอันนั้นขอบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะ เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ไม่ไม่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นมันมันคงพาเรามาหาในจริงคืออันเนี้ยเล่าเป็นเกรดคือว่าไปที่ตึกอะไรรู้สึกตึก i อบเอมหรืออะไรเนี้ยแล้วไปถามทางห้องน้ำเขาโอ้มันทำหน้าแบบนั้นเลยที่เขียนบรรยายเนี้ยนะเฮ้ยเหลือกลัวเดี๋ยนี้ไปทางนี้เลยนะเราแบบรักษาฟอร์มนะแบบว่า แค่รีบเดินเดินไปสุดทางเนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องครัวโ oh. อ้ยใจร้ายมากเราอ่านแล้วก็นั่งขำ ก, ก, ก็อันนี้ก็ถือว่าแบบบรรยายได้ได้ได้ประจใจมากสําหรับคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้มีกัดมีโอกาสเรื่องเอเสียใจคนตายไม่ได้อ่านเนี่ยเรื่องนี้ได้มาจากรู้สึกจะไปงานศพใครสักคนหนึงอะค่ะแล้วเขาก็แจกซีดีเรื่องนี้เออเมื่อ สิบปีได้มั้งนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็ก็ดีใจที่ตัวเองได้มีโอกาสอ่านยังไม่ทันตาย <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นนั่นนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ให้ตัวเองได้มีโอกาสออปฏิบัติทาแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรคุณนางตรีเขียนไว้ว่าเ อ, อเหมือนหมกบุ่นอะ่ะต้องทำอะ่ะต้องทำทุกวันแต่ถามว่าทาทาแล้วได้ทุกวันไหมมันก็ไม่ใช่นะคะ ต่เหมือนมันเสพติดเออคุณใช้คุณนางปบอกว่าเสพติดการปฏิบัติ ก, ก็พยายามทนีนี้มีวันหนึ่งมีฉันทะมากกว่านะอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่เป็นเป็นลบอันนี้เป็นบวกมหาศาลเลยถ้ามีฉันทะที่จะอยู่กับธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมนะชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดมากกว่า ไม่รู้กี่พบกี่ชาติที่ผ่านมานะครับคือก็และทีนี้มีวันหนึ่งก็ตัวเองนั่งปฏิบัติเช่นเ้ยวกับปฏิปฏิวันนั้นไปต่างจังหวัดแล้วก็เออคิดว่ามันมันเชา้าแต่เช้าแล้วก็เลยไม่ได้นอนก็เลยปฏิบัติต่อก็สวดมันครึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอที่กลับเออกาลังจะออกเนี่ยก็เหมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนอยู่ในคววาามส่ง มันอยู่ในแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพอดีเนี่ยตอนตอนนั้นนี้ก็ไม่ได้นึกอะไรเออเราคิดไปเองมั้งพอดีมาอ่านในเรื่องกรัรมพยากรที่ลานดาวกับชื่ออะไรคนเนีบบ่ยที่ที่านั่งปิรามิดได้กันแล้วเขาก็ถ่ายทอดจิตซึ่งกันนะคะก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นปรอปทานหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่เราควรจะต้องปรับปรุงหรืออะไรไหมคะคือแท่งนั้นเนี่ย เราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าก่อนจะเกิดความรู้สึกที่เป็นแข่งเนี่ยมันมีความสว่างหรือความมืดนํามานะอันนี้อันดับแรกเลยคือก่อนที่เราจะไปดูว่าปรากฏการณ์นั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีนะหรือว่าเรา เ, เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราตอบตัวเองถูกว่าขณะนั้นเรากําลังสบายหรือว่าอึอดอัดนะเนือความรู้สึกเนี่ยมันออกทางสว่าง หรือออกทางมืดตัวเนี้ยมันจะนำข้อเข้าไปถึงปรากฏการทางจิตหรือว่าภาวะของจิตณขณะนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกสบายเรารู้สึกว่ามันสว่างออกทางสว่างอยู่นะนั่นคืออกุศลจิตแต่ถ้าหากว่ารู้สึกอึอดอัดเนี่ยจะอยู่ในแท่งหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกอึอดอัดรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกว่ามันจองจํามันเป็นอะไรที่มืดมืดอย่างนั้นถือว่าเป็นอกุศลไปอกุศลนะ ที่ผมให้แยกแยะก่อนเป็นอันดับแรกว่านะให้เข้าใจก่อนว่าเราอยู่ในภาวะของกุศลหรืออกุศลเนี่ยเพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเองเวลาที่เราจะวิเคราะห์ตัวเองอ่ยนะว่าเราอยู่ในภาวะที่เข้าข้างสติหรือว่าเข้าข้างขาดสติเนี่ยดูตรงนี้ ถ้าหากว่ามันเป็นเปในทางกุศลมันเป็นเปในทางสว่างเป็นเปนในทางสบายเป็นเปนในทางที่พร้อมจะรู้ตามจริงอันนี้มันเป็นธรรมะเข้าข้างสตินะอย่างรูปทรงอันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทำให้เราสงสัยทำให้เราติดขัดทำให้เรารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้อันนั้นเป็นธรรมะข้างอากุศลเข้าใจที่พูดใช่ไหมเข้าใจเวลาเราบอกตัวเองเนี่ยเราบอกตัวเองอย่างนี้ว่าเราจะก้าวต่อไป ด้วยสติได้ยังไงถ้าในภาวะที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติเนี่ยเราสามารถอยู่กับความจริงในภาวะของตัวเอง mm hmm. เช่นขณะนี้ยืนอยู่แล้วเรารู้ว่ายืนอยู่และยืนอยู่ด้วยลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเนี่ยตัวเนี่ยมันเป็นภาวะเข้าข้างสตินะมันไม่ยําเป็นต้องอมีรูปทรงเป็นแบบใดแบบหนึง่ง มันเอาแค่ไอความรู้สึกเนี่ยที่คอตั้งหลังตรงหรือว่ากำลังยกไม่อยู่เนี่ยนะเป็นตัวตั้งในการที่จะพิสูจน์ว่าเรากำลังรู้อยู่ตามจริงตรงตามสภาวะที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่อย่างภาวะในใจนี่อย่างตอนนี้ฟังผมพูดไปเรื่อยๆ เ, เนี่ย ม, มันมันมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามีความสงสัยนะที่ผุดขึ้นมาบ้างหรือเปล่า ถ้าหากว่ามันมีแต่อาการฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาวะทางใจแบบหนึ่งเรียกว่าภาวะทางใจที่คลายความสงสัยเป็นภาวะทางใจที่คลายความอึดอัดลงแต่ถ้าฟังฟังไปแล้วเกิดมีความสงสัยขึ้นมาใหม่นะมีข้อคําถามขึ้นมาใหม่ไอนน้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความอึดอัดขึ้นมาเล็กๆเราถ้าเรารู้ตามจริงเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นบทที่สูตรว่า สติของเรากําลังเจริญขึ้นที่อย่างตอนเนี้ยเห็นไหมมันอภาวะทางใจของเราเนี่ยตอนที่ถามตอนตั้งต้นเลยที่ถามแต่ตอนเนี้ยเห็นไหมมันผิดกันตอนที่ถามเนี่ยอยากรู้คําตอบใช่ไหมแต่พอมันรู้คำตอบไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ลักษณะของความอึดอัดหรือลักษณะของความอยากได้คําตอบเนี่ยมันเปลี่ยนไป มันโปร่งขึ้ น, น, นมันโปร่งแล้วก็รู้สึก<บ> au, อิ่ที่เบาอที่มันเบาที่ <บ au. S 2> มันรู้สึกสบายอ่ะค่ะตัวนี้แหละคือสิ่งที่มาแทนที่ซึ่งภาวะทางใจตรงนี้แค่เรารับรู้ได้ว่ามันโปร่งขึ้นมันเบามันเบาลงนะมันไม่ต้องไปเข้าแท่งอะไรทั้งสิ้นนะมันมันก็สามารถที่จะมีสติรู้อยู่ได้ส่วนตอนนั้นที่ภาวนาไปแล้วเกิดภาวะเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ขอให้มองว่าเป็นการปรุงแต่งจิตชนิดหนึ่งชั่วคราวแล้วถ้ามันผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกมันเป็นภาวะที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเข้าใจนะตัวที่มันจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆและทำให้สติเจริญขึ้นได้จริงๆเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วเกิดขึ้นในแบบเนี้ยเป็นปกติอย่างเงี้ยให้เราสามารถรับรู้ได้ ยิ่งรู้ได้มากขึ้นเท่าไรแปลว่าเรายิ่งสามารถเห็นมันแสดงความไม่เที่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮอย่างอย่างตอนนี้มันแปลไปเห็นไหมมันมันไม่เบาเหมือนเมื่อกี้มันมันจะมันจะแตกต่างไปนิดนึงเหมือนกับจะมีอะไรวนๆขึ้นมามันมีอะไรติดๆอยู่ในใจขึ้นมาถ้าเราแค่รู้ว่ามันต่างไปแล้วไม่ใช่ตัวเดิมแล้วมันจะได้ข้อสรุปขึ้นมาในวันหนึ่งว่าจิตไม่ใช่เราการปรุงแต่งจิตไม่ใช่เรา มันแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างนั้นเนี่ยยิ่งถูกรู้ขึ้นบ่อยบ่อยขึ้นเท่าไหร่นะมันจะยิ่งได้ข้อสรุปเป็นความฉลาดทางจิตขึ้นมาว่าเออตัวเรามันไม่มีมีแต่การปรุงแต่งจิตชั่วคราวไปเรื่อยๆอย่างที่ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระเถรีรูปหนึ่งเป็นพระอราหันต์นะทันบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ไม่เคยมีตัวเราวเกิดขึ้นไม่เคยมีตัวดาวตายไปใช่ขออนุญาตอีกนิดนึ่งนะคะที่พยายามปฏิบัติทุกวันก็คือเคยทดสอบว่าเมื่อเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราแผ่เมตตาหรือว่านึกถึงคนป่วยอย่างสมมติว่าเ อ, อ่อแม่ที่กําลังป่วยเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ส่งทุกวันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า แม่ก็จะบอกว่าเขาสบายขึ้นแต่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราได้ส่งอ uh huh. พลังไปถึงท่าน uh huh. แต่เคยทดสอบตัวเองว่าถ้าไม่ปฏิบัติ s ักพักหนึ่งแล้วไม่ได้แผ่เมตตาถึงรู้สึกว่าแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงลงใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความจําเป็นที่เราควรจะต้องปฏิบัติอันนี้ถูกต้องไหมคะคือมันเป็นการทดสอบที่<น>ใจร้ายไป <คน S 1> ไหมคนที่ทเรา คนที่เราติดหนี้อยู่มากที่สุดในชีวิตนก็คือพ่อและแม่นี่แหละนะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าบอกว่าจะตอบแทนพ่อแม่ได้ยังไงให้สะสมพระพุทธเจ้าบอกว่าเอามาแบกไว้บนบ่าให้อื่อให้ชี่อยู่บนบนบ่าเราตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนนะแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิถีแล้วเราสามารถไปทําให้เกิดสัมมาทิฐีขึ้นมาได้ นี่ตัวนี้แหละที่ถือว่าเป็นการตอบแทนสมน้ำสมเนื้อกับพระคุณของพ่อแม่นี้ของเราเนี่ยนะการที่เราทำให้แม่ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะลำบากนะได้สบายขึ้นนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนในระดับที่สูงมากมากกว่าการเอาให้แม่เนี่ยมาอือมาฉี่บนบ่าเราแล้ว แต่จะดีกว่านั้นถ้าหากว่าเราถือตรงนี้เป็นสะพานให้แม่เนี่ยนะเข้ามาถึงธรรมะบอกว่าแม่รู้ไหมที่แม่รู้สึกสบายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันจากที่หนูได้แผ่มาถึงแม่นะมันมีความสุขแบบนี้ในตัวหนูก่อนแล้วหนูตั้งใจที่จะแผ่มาเผื่อแม่ด้วย ถ้าหากว่าแม่ได้รับแล้วก็แม่รู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งดีเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่จะยึดเป็นที่พึ่งได้ต่อไปนะฮไม่ว่าจะอในภาวะที่มีชีวิตอยู่ปกติหรือว่าจะาต้องต้องใช้นะในเวลาที่ต้องใช้เนี่ยก็ขอให้แม่รู้เถอะว่านั่นแหละคือพลังธรรมะพลังของกุศลพลังของสิ่งที่เราสะสมมา แล้วเราเคลือแผ่ให้ท่านก็ถือโอกาสที่จะพูดต่อนะคือแม่อยากฟังธรรมะขึ้นมาสงสัยอะไรเนี่ยก็ให้ต่อไปตามที่เราเรียนรู้มาหรือว่าตามที่เราคงจาไว้หรือจะให้ดีกว่านั้นคือตามที่เราทำได้จริงถ้าหากว่าเราค่อยๆพูดค่อยๆทำนะให้แม่แม่เกิดความเข้าใจเนี่ยว่าธรรมะมีพลังยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความสุขชนิดไหน่นะตรงนั้น มันจะไม่ใช่แค่การแผ่เมตตาแต่มันจะเป็นการยื่นสมบัติที่มีค่าที่สุดในโลกให้กับแม่ของเราเองด้วยนะการพูดการจากันนี่แหละผ่านพลังของความสุขนี่แหละที่จะทำให้คนแก่เข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็วนะครับขอบคุณค่ะ คต่ออไปอ บ, บสวัสดีครับกรับตัวดีท่านอาจารย์ดังปินครับก็ผมพิพัฒน์โพสุวรรณหนึ่งในทีมงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกับพี่แอปปีแล้วก็น้องอีกนะครับก็อยากจะแชร์ความรู้สึกตอนที่ติดต่อกำรรพยาคือจยากจะสนับสนุนหนึ่งหนึ่งในเสียงของกรรมพยากนะรกั บ, บคุณชาครั บ, รบน้องล้านดาวนะครับรู้ึกเนน้องเลยนะ คืออย่างนี้คือตอนที่ผมทํางานแรกๆอะ่ะได้ติดต่อกับคุณดังตินทางอีเมลตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นอีเมลมีแค่สองเมลใช่ไหมครับมันจะไม่เก็บถ้าตอนนี้ก็อาจจะได้เป็นแบบว่าเป็นกิกใชมม่มันมันมีอัลลิเมตเตอรอัลลิมิตนะคือความประทับใจคืออย่างนี้ครับเราติดต่อไปทางคุณดังตินบอกว่ า, วาขออนุญาตทําหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาได้ไหมโดยที่มีผู้อผู้ต้องขังที่ทันทัศน์สานหญิงกลางเนี่ย เป็นผู้บันทึกเสียงอะไรเงี้ยโอ้โหท่านแบบตอบมาแบบดีมากตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าเป็นข้อความอะไรแต่รู้สึกแบบคือความรู้สึกแบบท่านใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากแบบตัวจริงเป็นยังไงเนาะ อ, อยากจะเห็นอะไรเงี้ย <c oughs> วันนี้ก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับอนุโมทนาด้วยกันครับใจหลอค่ะใจเขียวแล้ว <c oughs> ท่านไหนมีคําถามต่อไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุลกรรณิยาเรียกพี่นะครับครับสวัสดีครับเคยผมชื่อที่ว่ารับเคยเจอพี่ตุลอยู่ช่วงหนึง่งที่งานหนังสือแห่งชาติครับตอนนั้นอพี่ตุลออกหนังสือ อะไรนะเตรียมสเสบียงมาเลี้ยงตัวแล้วก็ติดจักระพัดด้วยครับครัตอนนั้นผมไปกับพี่สาแล้วก็พีุ่้นก็ให้ให้ไลเซ็นมาด้วยครับจ<อ>ำได้จำได้ครับครั บ, รบผมก็บอกว่าเนี่ยผมซื้อหนังสือมาให้ทางห้องสมุดมาฝากอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เลยก็ตั้งใมแล้วว่าตัวเองก็เป็นคนแรกๆเออไม่ใช่เป็นคนที่อ่านหนังสือของของพี่ต้นเนี่ยก็คือกรรมาการ ก, ก่อนเลยครับ แต่จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยมีมีหนังสือของพี่ตูนที่เป็นหนังสือเร็วจากอิงอ้อสมุดหนึ่ ง, งนะครับเ อ, อเรื่องสียดายคนตายไม่ได้อ่านแต่ตอนนั้นแหละแต่ว่าก็ารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะอ่านไปทําไมเนยเมื่อเขาเขีว่าสียดายคนตายไม่ไดอ่านจริงๆตอนนั้นคิดอย่งนัจริงๆนะครับรู้สึกไม่กล้าอ่านนะครับเอ๊ะ อ, อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วต่อหลังพอมาอ่านกรรมเฮียกรู้สึกว่าพี่ตูนไม่มีอะไรอแฝงแนวคิด ในในแง่ของธรรมะสแสบไม่ได้วยความสนุกไปด้วยโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะครับไม่รู้สึกว่าเรากําลังได้รับธรรมะดีๆของพิตูนอะไรอย่างเงี้ยครับๆๆแล้ ว, ล ว, ลวทีนี้ก็เลยกลับไปอ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่านก็เลยเข้าใจความหมายว่าคําว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านนี่มันคื อ, อในในความหมายจริงๆแล้วก็คือว่าเ อ, อะไรอ่ะคือถ้าเรา พอเราสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือลักษณะอย่างนี้แนวคิดแบบนี้หรือว่ามีแนวคิดว่ า, ามีอะไรแอแฝงที่มากกว่า น, นั้นหรือเปล่านะครับก็ อ, บอันนี้ที่เลาให้ที่ว่าฟังที่ว่าใช่ไหมครับที่ที่ว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าที่มีทริคหรือว่ามีลูกไม้ในการตั้งชื่อหนังสือเพื่อที่จะ เ, เรียกร้องความสนใจ จากตลาดอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆเนะี่ที่มาไม่ใช่นะคือว่าเริ่มต้นจากการที่มีอยู่ช่วงหนึ่งสองปีพี่ไม่เคยพี่ไม่ได้ทำงานหาเงินเลยแต่ว่าตอบนังตอบอีเมลแล้วก็ตอบโทรศัพท์ทั้งวันเออแบบว่ามีคนถามอะไรเข้ามาเงี้ยนะแต่ทัง่งถึงวันหนึ่งออมันเกิดความเบื่อขึ้นมา เนี่ยพูดตรงๆมันมันมันก็เบื่อได้อะนะคือคือถึงจะแฮปปี้ไงอ่าเบื่อบ่อยอเพราะคือเล้เสร็จแล้วสองทุ่มอ่ะก็อุตส่าห์มีคนที่แบบว่าไม่คุ้นเคยอ่ะโทรมาถามธรรมะตอนสองทุ่มออเราเราจะนอนซะหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดมันมันก็จึกหนึ่งอ่ะนะแบอกเนี่ถ้าเราเราตอบไปแล้วเนี่ยคือคือมัน มันอดไม่ได้อ่ะที่จะค <ฮะ S 1> ิดขึ้นมาวิสองปีเนี่ยเราไม่ได้หาเงินเล ย, เยมไม่ไม่ได้ทำงานหาเงินเลยเนี่ยเออเพราะเพือ่อที่ใจอย่างเงี้ยสองทุ่มก็ยังมีคนโดรมามแล้วเราจะได้อะไรนี้พูดจริงๆว่ามันมันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ไม่ได้มาแกล้งดีหรือแกล้งอะไรทั้งนั้นนะนะแต่พอคิดไปแล้วเนี่ยเราก็ยังตอบอยู่ตอบตามที่ตอบตามหน้าที่ที่เราตั้งขึ้นมาเอง เออบอว่าเขาเขาก็เล่าประสบการณ์ธรรมะอะไรเงี้ยนะเราเราก็แนะนำไปเสร็จ แ, แล้วก่อนจะวางเขาบอกว่าขอบรบกวนเพิ่มอีกอย่างหนึง่งค่ะน <c oughs> บอกว่าช่วยเขียนหนังสือเล่เล็กๆ <c oughs> ให้ญาติเขาที่กำลังจะ <c oughs> จากไปอ่มามบอกว่าญาติเขาเนี่ย คงอ่านอะไรเล่มโตๆไม่ไหวหรอก<ะ>เออขอเล่มเล็กๆนะเพราะช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เขียนเ ย, ยายๆเขเขียนเยอะๆนะแล้วให้คนมีชีวิตอีกนานได้อ่านแต่คนที่ใกล้จะไปเนี่ยยังไม่ได้เขียนเลย<ะ>ลก็ช่วยหน่อยก็รับปากเขาเพราะเกิดความคือเออเลิกขึ้นได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเขียนสำหรับคนมีชีวิตนั้นเลย<ะ> เสร็จแล้วพอรับปากเขาไปว่าจะเขียนก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรคือตอนนั้นยังไม่เก่าพออ่ะพูดง่ายๆนะ <c oughs> เวลาผ่านไปวันเป็นสัปดาห์สัปดาห์เป็นเดือนผ่านไปสองเดือน <c oughs> วันหนึ่งลุกขึ้นมาจะไปอาบน้าแล้วก็อยู่ๆก็จิตมันก็ประวัติไปถึงเนี่ยบอกว่าเราเคยให้สัญญากับคนไว้ว่าจะเขียนให้คนใกล้ตายได้อ่า ป่านนี้สงสัยเขาจะตายไปแล้วก็เลยแวบขึ้นมาในหัวว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน อ, อันนี้จะ ม, มีในคำนำของเรื่องด้วทีนี้คือประเด็นเนี่ยก็คือว่าพอคิดทำนี้ได้นะนึกไว้เฮ้ยเนี่ย น, น, น, น่าจะเป็นชื่อหนังสือน่าจะมีคนสนใจอาบน้ำไปเสร็จเกือบลืม เอ๊มื่อกี้นึกอะไรขึ้นมาได้ว่ืออะไรนะมันมันมันเหมือนจะผ่านหายไปนี่ดีนะที่เข็นจนจำได้ครับเสร็จ แ, แล้วพอพอได้ชื่อเสียดาคนตายไม่ได้อ่านถึงได้เกิดการตีวงแคบว่าอะไรละ่ะที่มันน่าเสียดายจริงๆถ้าหาว่าไม่ได้อ่านนะก็ก็คือว่าไม่รู้ ว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงตายไปด้วยการทํำๆแบบทุกวันเนี่ยมันจะไปไหนนะแล้วยังอยู่เนี่ยทําอะไรจนยากุ้มทีม่สุดก็เลยกลายเป็นโครงสร้างหนังสือขึ้นมาอันนี้เราให้ฟังเป็นเกรดครับโอเคแต่แต่ปรากฏว่าร่างกายเป็นหนังสือดังขึ้นมาโดยที่เราก็คาดไม่ถึงนะฮ <laughs> ึฮ่โดเล่มากครัช่โดแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้อยากให้รุมเล่นใหม่ก็ดีนะครับเพราะว่า เดีนี้สังคมเราติดใจทุกคนเดี๋ยวนี้ออนแอร์ลงนะครั บ, รบอื เ, อเราจะไปยากร่อนวาจะทําเป็นละครที่มีอยู่่ในตอนนี้ปเป็นยังไงนะครับคือมีคนพยายามกันมากเลยนะที่จะผลักดันกันมาแม้แต่เจ้าแม่วงการละครอย่างพี่หน่อง อ, อรุณช า, า, ชาใช่อรุณชาเน่ยคือพยายามไปผักดันกันช่องสาม เอาหนังสือต้นฉบับไปให้อ่านก็แล้วอะไรก็แล้วพยายามพูดอยู่หลายทีนะคือรู้จักกันรู้จักกันแบบนี้หน่อยเป็นควาพยายามแก่นะใครกับใครอีกหลายคนเลยแม้แต่เนี่ยถ้าใครรู้จักคุณเพชรแฟนเก่าพิงกีอ่ะนัอันนั้นก็มาซื้อต้นฉบับไปเลยนะเออมาจะขอไปทำเหมือนมีอาถรรพ์นี่ล่าสุดคนที่อยากทําอยู่ที่ชอทอ่ พี่ชอตเนี่ยบอกเลยบอกว่าต้องทำใ้ได้จะจะเอาให้ได้เพราะอ่านเรื่องนี้ชอบมากเออมีอยาถันแาะว่าพี่ชอตก็ไม่รู้จะรู้ข่าวกันหรือเปล่าออนะพอดีจังหวะมันมันชอบพอดีจังหวะอะไรบางอย่างอย่างตอนนะั้นที่อุตส่าไปออมีทำพิตีอะไรกันแล้วเนี่ยนะแล้วนะกล้องสารัฐก็รับเป็นพระเอกแล้วมากเลยเ อ, อ่านนั่นแหละ ปรากฏว่าไอคนที่จะให้ทุนเนี่ยที่ไอไทย PBS พีบเออ่ะถ้ากระเด็นออกจากตาแหน่งแล้วก่อนอเซ็นอนุญาอแค่ไม่กี่วันนะที่เขาจะเซ็นอนุญาตเนี่ยเขาก็กระเด็นไปแล้วก่อนคือมันมันก็แล้วเสร็จแล้วก็อันนี้เล่าขำๆนะอย่าอย่าเป็นจริงเป็นจังมากนะไอคนที่รับเป็นนา ง, งเอกอะ่ะนาดอะ่ะนา ด, นาดเขาเขาไปดูคนไปไปดูไอคนนั่งทางในบอะว่า คือคนนั่งทางไหนนี่ก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าจะมีกรรมยากอเรื่องอะไรบอกว่าอ๋อที่เอ่อมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีคนไม่อยากให้มันเกิดบอกว่ามันหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งคือเกิดขึ้นไม่ได้นะมันมันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนจะเปลี่ยนใจกันมากเกินไปเพราะเพราะไ อ, อันนี้ฟังขำๆนะ <c oughs> คื อ, อคืออย่าเอาเป็นจริงเป็นจังนะมเหมือนเขามาเล่าให้ฟังเพราะเขาอยากแสดงเรื่องนี้มากไอ้น้องนาดเน่ยน้องนาด ดิสเซนเชนนี่อ๋อ oh. อ่านนั่นแหละคือคือเขาชอบเรื่องนี้มากแล้วก็แบบพออ่านแล้วเนี่ยเขาจะต้องแสดงให้ได้ตอนนั้นก้องสารัฐก็ไม่ได้รับงานละครนานแล้วนะช่วงช่วงนั้นนะแล้วก็บอกว่าที่มารับเนี่ยเอาค่าตัวครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าไม่มีให้ไม่เอาก็ได้อะไรแบบเนี้ย mm. ออคือคือจิ๊บจิ๊บเป็นคนไปชวนมาจิ๊บจิ๊บชื่อจริงชออื่อนะวสุเนี่ยจิ๊วัสุ โอเคครับก็โคตรมากครับพี่ตุ้มครับครับพี่ว่าวถ้าถ้าอย่างกรณีเมื่อกี้นี้ถามต่อได้ไหมว่าถ้าอย่างคนทั่วไปเขาก็จะมองว่าอืมนั่งนั่งทางในแล้วบอกแล้วเชื่อแบบนั้นหรือไรแต่ถ้าในทางศาสนาจริงๆมันเออมันจะเป็นเรื่องของเวลาที่เหมาะสมหรืออะไรที่ที่ลงตัวคือตรงนี้เนี่ยเออพี่บอกตรงไหนว่า<ะ>ตอนแรกๆอะ่ะนี่นี่พูดจริงๆ จ, จากใจเลยใช่ค่ะ แต่ละครั้งที่เขามาขอทําเนี่ยคือตั้งแต่ระดับเล็กๆจนมาถึงระดับพี่น้องอะไรงเงี้ยนะก็บอกเอ้าเอาเลยเอาเลยอยากทำก็ไม่ไม่ต้องให้ตังก็ได้ค่า<ะ>บทค่าอะไรเนี่ยไม่ไม่เอาหรอกเออจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาอย่างวัดพรามเก้าเนี่ยก็แบบมันอยากจะให้ทําละครธรรมะอะไรงเงี้ยนะออคือตอนเขาจะทําเนี่ยเราก็โอเคค<ะ>ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ พูดจากใจคือว่าพอเขาบอกว่ามันไม่สําเร็จอืเราล่งใจนะอืมนี่พูดพูดจริงๆนี่พูดจากใจค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายนะที่จะทําออกมาอย่างตอนนั้นอันนี้เราให้ฟังแบบตอนที่วัดพระรามเก้าจะทําแล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดเนี่ยที่กองส ร, รัดจะมาทําด้วยเนี่ยก็าหาคนเขียนบทนี่คนเขียนบทมาเนี่ย เขาเขียนเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบที่คือมันไม่ใช่แล้ว ม, ม, ม, มันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นเขาบอกว่าเฮ้ยไอย้แบบนี้เนี่ยใส่ธรร ม, มะมันไม่ได้หรอกเขาขอ<ะ>เขียนแบบที่เขาถนัด ก, ก็แล้วกันแล้วไอ้ที่เขาถนัดนี่เราแบบว่ากุ้มใจอะ่ะว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่ามันไม่สําเร็จเราล้มใจค่ะเออมันมันก็อาจจะแบบที่อีกบอกอ่ะว่ า, วาเอออาจจะไม่ถึงเวลามั้งนะก็สักวันหนึ่งถ้าสมมติว่า คือทั้งวันหนึ่งถ้าพี่สามารถทำของพี่เองได้เออแล้วก็คอนโทรลได้นะพี่อาจจะทําอาจจะรอวันนั้นมากกว่าอีกว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีเหตุของมันมาใช่นะคะบอยก็นั่นแหละตอนแรกอ่ะที่ที่จะทําที่วัดพระรามเก้าอยากทําอ่ะเขาจะขอแป้งแป้ง ตอนนั้นเป็นเด็กของคุณบอยเออแป้แปองออนจิลาเนี่ยแล้วแป้งเนี่ยคือพอมีคนไปท้าทามปุ๊บเนี่ยเขาอยากแสดงมากนะถึงขั้นโทรมาถามว่าคุยกับพี่บอยแล้วหรือยังขออนุญาตพี่บอยได้แล้วหรือยัง<ะ>คือถึงขั้นนั้นเลยนะเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาอินกับลานดาวมากอืเอออยากอยากเล่นเป็นบท น, นี้มากโอยแต่แต่คุณบอยไม่ให้ อ, <laughs> อคือคือเขาก็ห่ว ง, งเขาอ่ะ ตอนตอนนั้นแป้งกำลังดังแต่ตอนนี้ถ้าขอนี่ได้ทันทีเน่นมีใครมีคำถามอีกไหมคะนะคะเปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ ชิอพอมิโนตั้งพุนพันนะคะจะขอรบกวนสอบถามนะคะคือเดิมทีเนี่ยก็เริมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่นะคะก็ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่อะค่ะแต่ทีนี้มาลึกซึ้งในตอนที่เริ่มอ่านหนังสือที่ชื่อเรื่องเมื่อกี้นะคะเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเนี่ยทีนี้สงสัยนิดนึงว่าที่ที่ แยกเป็นเป็นข้อๆครับอย่างว่ า, าคนคนใกล้ตายจะมีลักษณะยังไงอะไรที่ทำให้เกิดเป็นหญิงเป็นชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างตรงนี้ไม่ทราบว่าคุนา่งคุณนั่งไป น, น, น, นี่คือเอามาจากพระไตปิฎครับเหมือนกับก็เลยจะถามตรงนั้นว่าในใ น, ในขณะที่ที่เขียนเนี่ยน่งสมาธิไปด้วยเขียนไปด้วยหรือเปล่าคะ การเขียนเนี่ยมันต้องมีสมาธิอยู่แล้วโดยตัวของมันเองคือจิตเราเนี่ยต้องต้องเล็งอยู่กับเป้าหมายแล้วก็ต้องเรียบเรียงคานะเลือกคาออกมาเนี่ยให้ได้ตรงกับไอ้ที่รู้สึกนะซึ่งตรงนั้นเป็นสมาธิอยู่แล้วคือไม่เคยไม่เคยนั่งสมาธิก่อนเขียนนะมีแต่ว่าเขียนแล้วเนี่ยเกิดสมาธิขึ้นมามนะยังยังเสียได้คนตายไม่ได้อ่านเนี่ยพยายามพูดเลยว่านะ ยกพุทธพจน์มาเป็นตัวตั้งเสมอนะจนกระทั่ง เ, เนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยมีพุทธวจะนะอะไรเนี่ยก็เคยคุยกันก็ เ, เอามาจากตรงนี้แหละนะคือเอาพุทธพจน์ขึ้นมาตั้งแล้วเราเอามาแบบใช้ภาษาร่วมสมัย ให้ให้คนร่วมสมัยเนี่ยเกิดความเข้าใจได้ง่ายง่ายนี่คือจุดประสงค์นะของเสดายคนต่ไม่น่านพูดง่า ย, ง, ายง่ายว่าเราย่อพระไตรปิฎกมาให้มันเหลือเล่มพอแคตบุ๊กแล้วก็ด้วยภาษาร่วมสมัยที่ใครๆก็สามารถอ่านได้เข้าใจง่ายนะ อ, อย่างเกิดเป็นชายเป็นหญิงได้ยังไงเนี่ยมีคนนะบอกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ย นะฮะบอกว่าอยู่ในตำราอยู่ในคำเขียนไม่เชื่อนะพอมันมันขัดใจเขาไงนะ ค, คือจริงๆเนี่ยพอเขียนออกมาเล่มสองเนี่ยมันจะนุ่มนวลขึ้นเล่มแรกเนี่ยเราเขียนแบบไม่รู้เขียนตามตำราเป๊ะเลยนะ mm hmm. เออก็เลยโดนด่าเละเลยนะะจากคนที่อาจจะคือไม่เข้าใจอะว่าว่าเราเขียนตามตามที่มีอยู่ในนะแต่อย่างเล่มสองเนี่ยจะเขียนให้มัน มันซอฟลงมันมันทําให้รู้สึกดีขึ้นนะบอกว่าเพราะอย่างบางคนเนี่ยคือจะเข้าใจว่าในตำดาในคำขี์เนี่ยบอกว่าเกิดเกิดมาเป็นผู้หญิงเพราะมีบาปซึ่งเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดมากเลยนะคืออ่าถ้าเกิดมาเพราะมีบาปมีกรรมอะไรเนี่ยนะหรือว่ามีบุญน้อยกว่าผู้ชายเนี่ย ลองดูสิว่าอย่างเจ้าหญิงกับข้าทาสนี้มัน<ะ>ใครมีบุญมากกว่ากัน<ะ>ถึงได้เป็นเจ้าเป็นนายถึงได้เป็นข้าทาสอย่างเงี้ยคือคือคนเนี่ยเข้าใจคําว่าบุญว่าบาปเนี่ยเพี้ยนไปจริงๆแล้วมันมีคําอธิบายหลายๆอย่างซึ่งเราสามารถที่จะพอพอทําความเข้าใจแล้วเนี่ยจะจะรู้ว่าแม้กระทั่งว่ามีความพอใจในเรื่องสวยเรื่องงาม แล้วอยากเป็นผู้หญิงอีกก็เป็นเหตใหุให้เกิดเป็นผู้หญิงก็ได้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญกับบาปอย่างเดียวมันเกี่ยวกับความชอบใจทีนีอ้อย่างเขียนเลื่มแรกเนี่ยบางทีนะเราเนื่องจากว่าเราเขียนตามฟอร์แมต ท, ที่เราตั้งไว้เอาเรื่องบุญเรื่องแบบมานําก่อนแล้วค่อยขยายความคนก็จะไปอ่านเอาไอ้ช่วงแรกก่อนแล้วก็เกิดความรู้สึกติดใจนะฮว่าเฮ้อ hey, มาว่าผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย คือไม่ใช่เลยนะตรงเงินข้ามเลยจะบอกว่าบางบางทีเนี่ยมันเป็นคําอธิบายว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงรู้สึกด้อยกว่าผู้หญิงทำไมผู้ชายบางคนถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงก่อนที่จะตายไปเกิดเป็นผู้หญิง <farewell. S 2> มันมีคําอธิบายที่เป็นธรรมะนี่นตรงนี้แหละแล้วเราก็พยายามนะบอกว่าเราเอามาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคาอธิบายเป็นคาสอนส่วนใหญ่ของพระพุทธเจ้า ขอโทษค่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สงสัยอะนะคะที่บอกว่าอ่ถ้าคนไหนเนี่ยมีมีความกําหนดที่อืมไม่ประมาณว่าโลเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มแข็งพออะไรอย่างเงี้ยชาติต่อไปเนี่ยก็จะต้องเกิดเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทราบว่าเกี่ยวคับอ่าเนี่ยคือมันมันตรงนี้เนี่ยนะมาจากตําราของแท้เลย อแต่อยู่ในอัตกะในชั้นอัตกถาแล้วเราสามารถพิสูจน์ความจริงได้ด้วยใจของเราเองอ mm hmm. ย่างเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจทําดีตั้งใจทําบุญหรือว่าตั้งใจอะไรที่มันต้องใช้เวลานะต้องใช้ความกล้าหาญต้องใช้ความฮึกเหมิมมากพอที่จะรบกับกิเลสความขี้เกียจของตัวเองต้องใช้เวลายาวๆอะไรเงี้ยนะ ถ้าหากว่าเราสามารถทำได้ตลอดรอดฝังมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือใจเราเข้มแข็งใจเราเนี่ยมีความตั้งมั่นใจเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าอาจฐารอย่างชายชาตรีแม้จะอยู่ในร่างผู้หญิงก็ตามนออกใช่ไหมเวลาที่เราเข้มแข็งพอแต่เมื่อไรก็ตามถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างชายนะถ้าหากตั้งใจอะไรดีๆแล้ว น้มเลิกกลางคันหรือเปลี่ยนใจซะก่อนไม่ทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเอ ง, อ, งอ่นอนแอขึ้นมานี่ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้นะทีนี้คือจะบอกว่าในตำรานะท่านท่านบอกไว้อย่างนี้นะบอกว่าถ้าหากทำบุญด้วยอาการโลเลซึง่งเจอบ่อยมากเยเนี่ยยังมีน้องผู้หญิงบอกว่าคือมาหาเสียงกับเราอบอกว่าตอนแรกกะทำแสนหนึ่ง ทำบุญทำบุญเหมือนเขาเนี่ยเขาเขาได้เงินโบนัสอะไรมาเนี่ยเราก็แล้วเขาแบบมีใจแรงกล้ามากเลยตอนแรกเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเขาทำบุญอย่างเดียวเลยสองวันต่อมายังไม่ได้โอนนะมาหาเสียงกับเราบอกว่าพี่คะขอห้าหมื่นได้ไหมมันจะผิดอะไรไหมคือจะมาให้เราปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรน้องนะห้าหมื่นก็ห้าหมื่นอะไรแต่เราตอบไปอีกอย่างบอกว่านี่เห็นไหม เนี่ยที่เคยถามว่าเกิดเป็นหญิงเนี่ยแล้วไม่พอใจตัวเองอ่ะคือเขาเขามีความไม่พอใจตัวเองนะนี่ขอเล่าแบบนี้นะว่าเขาไม่ชอบเลยที่เป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆแต่มันอึดอัดมันงดหงิดเวลาที่โดนผู้ชายเอาเปรียบหรือมาจ้องมาจ้องนมจ้องอะไรเงี้ยคือมันจะรู้สึกรังเกียจมากแล้วก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงเลยแต่เหตุอะไรที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็เลยชี้ให้เขาดูตอนนั้นแหละนี่อันนี้พูดตามตำรานะเนี่ยเห็นไหมว่าตอนแรกอนี่ยโอ้โหแบบเหมือนน้ำพุพุ่งเลยนะแสนหนึ่งนะจะทำเสร็จ แ, แล้วสองวันต่อมาเปลี่ยนใจแล้วเกิดเสียดายตรงนี้เนะี่ยถามตัวเองสิว่ามันปวกเปียกป้อแป้ไหมมันมีความรู้สึกเหมือนอ่อนแอไหมมันมีความรู้สึกเนี่ยมันอาจหารได้เหมือนผู้ชายไหม อยากเป็นอยากเกิดเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอนะก็ mm hmm. เลยบอกว่าแสนหนึ่งเอาไปเถอะ <G ül> <laughs> สั่งเลยนะแล้วเขาบอกโอเคโอเคแสนหนึ่งก็แสนหนึ่ง <laughs> นะแล้วพอพอไปทําแล้วเนี่ยกลับมาบอกเราว่าสบายใจแล้ว <S 2> <S 2> <S> <S มันมีความรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมามากเล ย, ยเฮ้ยเงินเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยหาหาใหม่ได้แต่ว่าไอ้ที่ตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยจิตที่มันมีราคา มู ล, ลค่าเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยแบบที่เขาต้องการนะเกิดการลังเลออตรงนั้นเนี่ยตีตีราคามันคือคืนไม่ใช่ว่าบอกว่าผู้หญิงไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะแต่หมายความว่ามู ล, ลค่าเนี่ยเราไม่สามารถประมาณได้ว่ามันตีราคาเป็นเงินเนี่ยเท่าไหร่กันแน่เพราะถ้าเขาอยากเกิดใหม่หรือไม่ต้องเกิดใหม่ก็ได้เอาตอนนี้เนี่ยอยากมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้น Mm hmm. มันต้องซื้อกันด้วยจิตแบบนั้นค่ะ <Ha. S 2> ซึ่งถ้าตอนนั้นเขาตามใจตัวเองเนะี่ยไม่มาหาเสียงกับตรงนี้ก่อนนะ <Ha. S 2> ทาไปห้าหมื่นนะมันจะอ่อนแอลงทันที mm hmm. มันมันจะมีความรู้สึกว่าตกลงกับตัวเองไม่ได้อะนะ <Ha. S 2> ะนับตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมา mm hmm. มันเหมือนเขาเห็นพอย n t ว่าคือมันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงิน มันเกี่ยวกับความตั้งใจอย่างถ้าตอนแรกเขาตั้งใจขึ้นมาว่าเขาจะทําห้าหมื่นแล้วเขาก็ทําตามนั้นมันก็เกิดความเข้มแข็ง mm hmm. แต่นี่เขาตั้งใจแสนหนึ่ง oh. แล้วไปลดมันครึ่งหนึงเ oh. นี่ยก็เท่ากับลดกําลังใจของตัวเองลงครึ่งหนึ่ง oh. นี่ยพอยมันอยู่ตรงนี้แหมอีกข้อนึงนะคะคด้วยควา <laughs> มเก่งใจขอโทษด้วยก็ไม่ไม่ <c oughs> อย่างกรณีที่เรา นั่งสมาธิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรืออยู่ในภาวะจิตที่ธรรมดานะค ะ, ะเราเราสามารถทำปฏิบัติตรงนั้นได้แต่พอเราเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถทำได้ะคะ่ะเราสามารถจะดึงจิตตรงนั้นกลับมาให้เหมือนเดิมได้ยังไงอะคะเพราะว่าตัวเองรู้สึกมีความบกพร่องอะคะ่ะคือพอเจอจริงๆเนี่ยทำใจไม่ได้เลยะคะ่ะสติหลุดลุยเลย รู้สึกแพ้มันใช่ไหมใช่ค่ะแนะทีนี้พอยต์มันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราตั้งต้นที่จะปฏิบัติธรรมตั้งต้นที่จะเจริญสติด้วยการตั้งสเปคอะไรขึ้นมาแล้วจะเอาให้ได้ตามนั้นเนี่ยตัวเนี้ยขอให้รู้ว่ามันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะการที่จะมีสติตามจริงรู้อะไรได้ตามจริงเนี่ย มันคนละเรื่องกันกับมีสติให้ได้ตามสเปคเป็นคนละเรื่องกับการสร้างจิตขึ้นมาเป็นสมาธิดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้ชาญขั้นนั้นขั้นนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะคำว่าสติที่มันจะเจริญขึ้นเนี่ยคือความสามารถที่จะยอมรับตามจริงว่ากำลังเกิดภาวะอะไรขึ้นกับเราถ้าหากว่าเราสามารถรู้ตรงตามจริงได้แม้กระทั่งไอ้ภาวะที่มันแย่ นั่นก็คือสติเจริญขึ้นครั้งหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยดึงสติไม่ได้มันแพ้กิเลสแล้วรู้สึกแยก่กับตัวเองนั่นสติไม่เกิดแล้วนั่นกิเลสเกิดแล้วเกิดความรู้สึกอยากว่าตัวเองแล้วเกิดโทสะครอบงําจิตของเราแล้วเห็นไหมนี่ไม่ใช่สตินะตัวที่มันเป็นสติของแท้มันต้องเป็นอย่างนี้พอเราหลุดพอเรารู้สึกสู้ไม่ได้พอเรา ต้องยือ้อต้องดึงกลับอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทันว่าณขณะนั้นจิตกําลังเป็นภาวะอกุศล<ม>เห็นไหมพอรู้ทันว่าจิตมันเป็นอกุศลเนี่ยสติเกิดแล้วสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าการยอมรับตามจริงแล้วเห็นตามจริงว่าอากุศลจิตเนี่ยอยู่ได้ไม่นานอยู่แป๊บหนึ่งมันก็กลายเป็นกุศลขึ้นมาอย่างตอนนี้มันเป็นกุศลเห็นไหมมันสว่างขึ้น มันรู้สึกดีขึ้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ากุศลจิตแล้วกุศลจิตจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีสติเห็นว่าเรากำลั ง, งกรอดอยู่เรากำลังไม่พอใจตัวเองอยู่เออหน้าตามันเป็นแบบนี้มันมีอาการจุกจุกมันมีอาการมืดมืดมันมีอาการมนๆมันมีอาการหมองๆหน้าตามันเป็นแบบนี้และอาการหมองมันก็จะแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นเนี่ยตัวนี้แหละพอสามารถจะตึงกลับมาได้ยังไงอะคะเนี่ยตัวนี้แหละที่ ที่มันจะดึงกลับมาได้นะหนึ่งเรายอมรับตามจริงว่ามันหมองไปค<ะ>ว่ามันหม่นไปสองดูไปว่าลมหายใจนี้กับอีกลมหายใจหนึ่งมันหมองเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าลมหายใจต่อมาได้ข้อสรุปว่ามันหมองน้อยลงนี่ตัวนี้แหละมันดึงกลับมาแล้วอมสติเนี่ยมันกลับมาตอนที่เรารู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไม่ใช่เกิดขึ้นตอนที่เราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเป็นไม่ได้ เ ข, ข้าใจคอยนะเข้าใจแล้วค่ะอีกประการในนี้อันนี้ขอขอข้อสุดท้ายนะคะได้ขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา<อ>มีเวลาถึงเที่ยงคืนพอดีได้โอกาสมาค่ะเลยแล้วคนสอบถามข้อสข้อสุดท้ายนะคะนนี้ อ, อย่างเวลาเรามีความรู้สึกนึกถึงใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตมาหลายทีแล้วสักพักหนึ่งอะค่ะบางคนก็ สองสาวันก็ติดต่อมาบางครก็ชั่วข้ามคืน อ, อะไรยเงี้ยค่ะก็ติดต่อมาอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับ อ, อมันมี่งก<อ>ารส่งกระแสจิตหรือเปล่าคะมันมีอยู่สองทางคือคนที่รู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนิทกันหรือเคยคุ้นกันนะเวลาที่นึกถึงกันแรงๆเนี่ยนะมันจะมีสื่อคือธรรมชาติเนี่ยนะของจิตเนี่ยนะมันไม่มีเครื่องกัน้น มันไม่ได้แยกมันเป็นตัวๆแบบที่เราเห็นถูกหลอกด้วยร่างกายแบบนี้ธรรมชาติของกระแสจิตเนี่ยมันถึงกันทันทีเลยเพราะอย่างยิ่งคนขุนเคยนะเพราะฉะนั้นไฟใดไฟหนึ่งก็ได้นะถ้าเราเป็นไฟนึกถึงเขาอย่างแรงขึ้นมาก่อนนะเขาอาจจะมันมันเหมือนเราผูกยงด้วยเชือกวบางๆนะเรากระตุกเชือกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็สะเทือนตามไปด้วยหรือบางทีเขาอาจจะนึกถึงเรานะ อยากจะติดต่อมาหาเราอยู่แล้วมันก็เป็นการกระตุกเชือกฝั่งเขาแล้วมันก็เพิ่มที่เราให้นึกถึงเขาอย่างใดอย่างหนึง่งนะไอ้ความ<ไ>บังเอิญเนี่ยไม่มีหรอกมันไม่ใช่ความบังเอิญใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งเลยค่ะขอบพระคุณมากาค่ะแต่เราก็มักจะติดปากกันนะคะว่าโอ๊ยบังเอิญบังเอิญท่ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยบ่อยบ่อยมากเลยที่พี่แบบว่า เออ่โทรโทรไปหาใครปุ๊บเนี่ยด้วยความตั้งใจอ่ะคือมีจุดประสงค์ไงว่าจะคุยอะไรกับเขามันเป็นเรื่องสําคัญอะไรเงี้ยอุย้ยทําไมโทรมาเนี่ยกําลังนึกถึงยู่พดีเลยเนี่ยก็เพราะเราไปกระโจนฟังเขาเนะบอกอุ๊ยเนี่ยขนลุกไปหมดเลยเนี่ยตกใจนึกว่าเราเล่นคุณใส่อะไ ร, รไม่ใช่นะอคือคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ้าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ย แบบเวลาพี่จะทำหนังสือหรืออะไรเงี้ยนะแล้วามันเกี่ยวข้องกับเขาที่เขาเป็นคีแมนอะไรเงี้ยพอจะโทรไปเนี่ยอย่างนี้ตลอดเลยบอกว่าโอ้ยเนี่ยทําไมเดี๋ยวนั้นก็เพิ่งเมื่อวานนี้เองเอนึกถึงอะไรอ่าก็เดี๋ยวมีคำอีกสักคนไหมคะสุดท้าย ก่อนถึงสุดท้ายก่อนถึงคาถามสุดท้ดายนะผมอยากอย่างนี้ก่อนอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกอันนี้เป็นความอยากรู้มานานแล้วแล้วก็ขอทดลองนะทุกท่านนะที่มองไม่เห็นนะครับด้วยแก้วตาเนี่ยผมอยากจะให้ลองผมจะสอนสมาธิในแบบที่ อ, อันนี้เล่าย้อนไปก่อนตอนที่กำลังฝึกสมาธิใหม่ๆผมรู้สึกว่า ถ้าเราไม่มีแก้วตาเราไม่ได้เห็นสีสันเราไม่เห็นโลกภายนอกเนี่ยเครื่องรบกวนจิตใจเราคงจะน้อยลงกว่านี้นะอ่าแล้วเสร็จแล้วผมก็ทำตัวเรียนแบบคนตาบอดอยู่หลายชั่วโมงคือไม่ลืมตาขึ้นมานะเพื่อที่จะสร้างโลกจําลองขึ้นมาว่าเออเนี่ยถ้าตาเราบอดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคือมองไม่เห็นอะไร เนี่ยแล้วก็คือถึงอยากลืมตาเลยเนี่ยก็จะไม่ลืมตาขึ้นมานะมันมันมีความรู้สึกว่าอืมไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบคือเรามองเห็นอยู่ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราไปบังคับตัวเองไม่ให้มองเห็นมันก็เลยเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่คนที่อาจจะไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาก็รู้สึกเฉยๆของเขา เขาก็รู้สึกเป็นปกติเป็นเรื่องปกติของเขานะแล้วเคยอ่านางานอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นงานประพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องจริงนะคื อ, อเขาบอกว่าคนตาบอดบางคนที่ฝึกรักษาโรคนะจนกระทั่งนยะมันเห็นได้ยิ่งกว่าคนตาดีคือพอคนไข้มาอยู่ตรงหน้าเนี่ย คนตาบอดตัวนี้หมอตาบอดตัวนี้เนี่ยนะเขาบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นโรคที่ปรับที่ไตที่หัวใจอะไรอย่างนี้อืมไอันนี้คือคือยืนยันว่ามันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปนได้จริงนะเพราะว่าคําว่าตาทิพย์เนี่ยไม่ใช่อย่างที่คนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่วิเศษวิโสเหนือโลกจริงๆแล้วมันเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นบ่อยๆ อ, อย่างเช่นหมอคนเนี้ย เขาวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ไงว่าใครเป็นป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็อวัยวะชิ้นไหนทีนี้เนื่องจากเขามองไม่เห็น mm hmm. เขาก็เลยเหมือนแกต้องใช้สัมผัสซึ่งไอ้สัมผัสส่วนที่คนตาดีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันเนี่ยนะพอทำไปมากๆแล้วมันกลายเป็นว่าแค่คนไข้เนี่ยมันนั่งตรงหน้าเขาบอกได้หมดเลยราวกับเห็นด้วยกล้องเลนสเรนะแต่ไม่ได้เห็นเป็นหน้าคนนะเห็นเป็นอวัยวะ เห็นเป็นเฉพาะสิ่งที่เขาจะต้องเห็นนะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอมาบวกกันนะกับที่เคยพยายามเรียนแบบโลกโลกที่เราคิดว่าโอ๊ยมันเนี่ยถ้ามองไม่เห็นแล้วจะเป็นไงเนี่ยปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยมันเห็นลมหายใจได้ดีขึ้นในในความรับรู้เนี่ยนะว่าเออ ไม่มีภาพรบกวนสายตาไม่มีสีสันไม่มีอะไรมายั่วกิเลส ท, ทางตาเนี่ยมันรู้สึกว่าแค่หายใจไม่กี่ทีเนี่ยลมหายใจมันปรากฏชัดคนนะนะต่อให้ตาดีหรือจะตาบอดก็ตามเนี่ยเวลาหายใจมันจะไม่รู้สึกว่าลมหายใจเป็นภาพแต่ถ้าหากว่าโฟกัสของจิตนะอยู่กับ จุดที่มันถูกต้องได้ที่มันจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดเจนเนี่ยลมหายใจมันจะปรากฏเป็นเหมือนกับหมอกควันสีขาวชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วผมอยากจะทดลองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไกด์ทุกท่านนะครับเอาทุกท่านเลยไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็าตามนะนั่งนั่งหลังตรง คอตั้งสบายๆพิงพนักสบายๆนะไม่ต้องตั้งใจว่าเรากําลังจะทําสมาธิไม่ต้องตั้งใจว่าเรากําลังจะพย า, า, ายามเห็นลมหายใจให้ชัดอะไรนะเอาแค่คอตั้งหลังตรงสบายๆแล้วสํารวจก่อนเริ่มต้นขึ้นมานะฝ่าเท้าของเราวางราบกับพื้นหรือเปล่าฝ่าเท้าของเรานะวางพักสบายๆกับพื้นหรือว่ามีอาการจิกมีอาการเกรงนะเนี่ยตรงเนี้ เห็นไหมพอเรารู้สึกว่าฝ่าเท้าวางราบกับพื้นได้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรากับว่าเราเห็นเงาของฝ่าเท้าขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยในส่วนของกล้ามเนื้อที่มั น, นพักในส่วนของร่างกายอวัยวะที่มันสบายเนี่ยนะเราเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับมันขึ้นมาได้ชัดเจนกว่าตอนที่มันเกรง็งกว่าตอนที่มัดเนื้อมันทำงาน จากนั้นแนะเอามือวางบนหน้าตักนะครับแล้วลองดูว่าฝ่ามือของเราเนี่ยมันมีอาการกรรมมันมีอาการเกร็งอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะถ้าหากว่ามันวางแบร์พักอยู่กับหน้าตักสบายๆเราจะเกิดความรู้สึกนะเหมือนกับมีสติขึ้นมาขึ้นตัวนี่ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้ากับฝ่ามือเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับจุดสูงรวมเอาแหมมัดเนื้อต่างๆของร่างกายไว้ได้วยกันขึ้นตัวแนะทีนี้ถ้าหากว่า เราสํารวจต่อมาอีกเห็นว่าหัวคิ้วของเราขมวดอยู่หรือเปล่าหนะ้าผากของเราเนี่ยผ่อนคลายอยู่หรือเปล่าขามับของเราตึงอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามันมีอาการผ่อนคลายนะทั้งฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วใบหน้าเราจะรู้สึกสบายขึ้นมาทั้งตัวนี่ตัวนี้แหละที่เราจะเริ่มรู้สึกถึงกายที่ปรากฏเป็นร่างนั่งของเราขึ้นมาจากนั้นนะขอให้เอาฝ่ามือทาบกับหน้าท้องนะครับทุกคนนะครับทุกท่านนะ ฝ่ามือท่ากับหน้าท้องในอาการที่สบายขึ้นมาทั้งตัวนั้นนะครับลองดูว่าเวลาที่เราหายใจยาวขึ้นมานิดนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกถึงหน้าท้องที่ดันขึ้นมานะไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกนะว่าเราสา ม, มารถสัมผัสถึงหน้าท้องที่มันเป็นลูกๆเน่ยที่มันดันขึ้นมาหรือว่ามันยุบลงไป แรู้สึกใช่ไหมว่ามันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นเงาขึ้นมานะจากนั้นเนี่ยขอให้สังเกตว่าถ้าหากว่าเราหายใจเป็นนะหน้าท้องดันขึ้นมายาวๆสบายๆแล้วผ่อนลงไปยาวๆสบายๆนะอ่าคือไม่จำเป็นต้องยาวเท่าเดิมทุกครั้งยาวเท่าที่จำเป็นยาวเท่าที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าออเออไอ มันมีเส้นของลมหายใจเนี่ยที่ผ่านเข้าผ่านออกในตัวนี้อยู่ด้วยมันไม่ได้มีแต่อาการท้องพองอย่างเดียวไม่ได้มีแต่อาการท้องยุบอย่างเดียวมันมีเส้นลมหายใจปรากฏอยู่ด้วยผมถามแค่ตรงนี้ก่อนนะใครรู้สึกว่าเห็นลมหายใจบ้างช่วยยกมือนะครับช่วยยกมือเลยนะอืโอเค นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเห็นทีนี้ลองลองดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเงียบนะไม่พูดอะไรนะแต่ขอแค่ว่าที่เราหลับตาลงไปเนี่ยนะเรารับรู้อยู่แค่นี้เลยว่าท้องมันพองขึ้นมามีลมหายใจเข้าท้องมันยุบลงไปมีลมหายใจออกบางครั้งมันต้องการที่จะนะ ได้ลมแค่สั้นๆแต่บางครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะลากลมเข้ายาวได้และบายลมออกยาวได้ดูอยู่แค่นี้พอนะ คำถามนะครับตอนนี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างช่วยยกมือนะครับช่วยยกมือเลยนะแล้วในความสุขนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมว่าลมหายใจเนี่ยมันมีสีขาวอันนี้ขอเฉพาะคนที่รู้สึกว่ามีความสุขด้วยแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจสีขาวนะช่วยยกมือนะครับโอเคดีครับนะตรงนี้เนี่ยนะเป็นข้อพิสูจน์นะ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าการเห็นสีสันของโลกภายนอกอีกเพราะว่ายิ่งเราเห็นลมหายใจได้ชัดขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งหมายความว่าเราใกล้ที่จะเห็นธรรมะมากขึ้นเท่านั้นการเห็นลมหายใจได้ชัดเจนมีความหมายมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวแบ่งเลยนะว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ ขณะนี้เรากำลังหายใจสั้นหรือว่าหายใจยาวอยู่นะมันจะไม่มีความสงสัยมันจะไม่มีความคิดอย่างอื่นที่เจือปนนะมีแต่การรู้เป็นภาพเลยว่านี่ลมหายใจกำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่บางครั้งเข้าบางครั้งออกบางครั้งยาวบางครั้งสั้นแล้วถ้าหากว่าความสุขหรือความทุกข์ที่เข้ามาพร้อมกับลมหายใจเนี่ย มันแสดงให้เรารับรู้ได้ว่าลมหายใจยาวมันมีความสุขลมหายใจสั้นมันมีความทุกตรงนี้เราก็จะเห็นอีกด้วยว่าทั้งความสุขและความทุก์มันก็กำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นเช่นกันยิ่งเราเห็นได้ชัดเจนขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งมีความมีความเป็นข้อสรุปมากขึ้นเท่านั้นว่า ทั้งหลายทั้งปวงแนะ่ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์เนี่ยมันไม่เคยเป็นตัวเราจริงมันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่แตกต่างจากลมหายใจต่างๆที่มันไหลเข้าออกอยู่ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งเราตายไปนีน่ตัวนี้แหละที่มันเป็นธรรมะของจริงนะอ่งผมขอถามนิดนึงใครที่กำลังรู้สึกว่าเห็นลมหายใจได้ชัดบ้างครับช่วยยกมือนินดนึงนะ โอเคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เกินความคาดหมายนะฮะแล้วอยากให้ทุกท่านเลยนะครับนะได้ได้ลองกลับไปพยายามมองเห็นให้ชัดแบบนี้แหละเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยอย่าไปจ้องลมหายใจแต่ให้สำรวจก่อนตามจริงว่าฝ่าเท้าของเรานะฮะมันสบายหรือว่ามันเกรงฝ่ามือของเรานะกรรมหรือว่าแบ์อยู่ อยู่ในอาการวางอยู่ใบหน้าของเราสบายหรือว่ามันมีอาการขมวดมีอาการตึงนะจากนั้นเนี่ยก็อยเอามือจับท้องแล้วก็ดูว่ามันพองขึ้นหรือว่ามันยุบลงไปนะส่วนใหญ่มันจะพองขึ้นแบบไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่มันจะมีอาการสะดุดมันจะมีความรู้สึกเกรงเป็นก้อนนะแต่พอสังเกตไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่เร่งรัดไม่หวังผลนะ มันจะเกิดความรู้สึกว่าหน้าท้องของเราเนี่ยยืดขยายออกมาได้แบบราบลื่นขึ้นนะแล้วก็มีความสบายมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความสุขนั้นน่ะตั้งอยู่เฉพาะตอนที่หายใจยาวพอเริ่มกลับมาหายใจสั้นใหม่มันก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละแค่เราสังเกตอยู่อย่างนี้นะได้ธรรมะที่เป็นจุดใหญ่ใจความของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นคือ กายใจของเราเนะี่ยมันกำลังสแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่เคยเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ ใ, ใครอยากเข้าไปเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองนะถ่าและก็คาถามสุดท้ายเมื่อกี้ใครคร้างไว้เอ่ยเชิญเลยครับก็ อ, อยากจะเรียน ว่าออมีคนเคยพูดว่าตอนนั้นจะไปเรียนปฏิบัติใช่ไคะโดยการเพ่งพระพุทธรูปให้ไซซ์นิดแล้วคนนั้นเขาเออมีผู้ที่บอกว่าคนตาบอดเนี่ยไม่มีวันที่จะนิพพานได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้จนถึงออขีปสุดในการที่เพ่งพระเพราะว่าเราไม่เห็นรูปของพระไม่สามารถ วาดภาพพระได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่พอใจไม่พอใจก็แล้วทีนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีในตัวเองเลยคือในหนังสือก็ไม่เก่งแล้วก็นิสัยก็ไม่ดีแต่อยากเป็นคนดีทีนี้ก็เลยลองออในเมื่อตรงนั้นเนี่ยคนตาบอดไม่สามารถจะฝึกได้ ก็เลยลองที่จะหันไปฝึกทางลมหายใจก็คื อ, อยุบหนอพองหนอซึ่งก็ฝึกมาแล้วก็กได้สิบปีนะคะแต่ว่าถามว่ า, าดีแค่ไหนเจริญแค่ไหนดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ว่ า, าดีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนว่าคนตาบอดก็แต่ละคนนั้นเนี่ย ก็มีทางทมที่ไม่ไม่เท่ากันมีศีลท่ไม่เท่ากันอย่างตัวที่ฉันเองเนี่ยก็พูดพูดง่ายๆก็คื อ, อ, อบุญยังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นการฝึกก็คงจะอีกนานก็ก็อยากจะเรียนคุณทางตรินว่าคนตาบอดนั้นก็ไม่ไม่ได้แตกต่างไปจากผู้อื่นคือศีลหรือการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้ดีคนทั่ ว, ว, วไปอะค่ะขอบคุณค่ะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนมาวันนี้นะผมมีความเชื่อมาอยู่นานแล้วนะว่าถ้าคนตาบอดได้ฝึกอานาปานสติจะมีโอกาสดีกว่าคนตาดีอันนี้ผมพยายามมาหาหลักฐานนะจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลาที่จะ เ, เหมือนกับติวกันยาวๆเนี่ยมันมันมันจะเอาทีละคนเนี่ยนะ ผมบอกได้เลยว่าถ้าสามารถเห็นลมหายใจเป็นสีขาวเป็นหมอกควันได้นะตรงนั้นเนี่ยมันเฉียดใกล้กับนิพพานนิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าการเห็นลมหายใจชัดนะพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าเมื่อจเจริญอาณาปานสติได้อย่างชำนาญแล้วนะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือได้เครื่องเกาะได้เครื่องพยุงไม่ให้ใจเนี่ยมันหลงมันไหลไปตามกิเลสแล้วก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงในแต่ละลมหายใจได้อย่างชัดเจนกว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยตัวนี้แหละที่คือจะบอกว่าคนนี้บอกว่าคนตาบอดไม่สามารถนิพพานได้นะมันเป็นมิจฉาทิถีนะคือ ผมอันนี้เชื่ออยู่กับตัวเองว่าคนตาบอดเนี่ยถ้าได้ฝึกอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสใกล้ที่จะเฉียดกับนิพพานเนี่ยมากกว่าคนตาดีพะคื อ, อพอเรารู้หลักที่จะเห็นลมหายใจนะแล้วอยู่กับลมหายใจได้ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันเท่ากับได้พื้นที่ในการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดวันตลอดคืนเช่นกัน พิจารณาในแต่ละลมหายใจเนี่ยว่าลมหายใจนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ลมหายใจนี้มันมีความรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าสบายกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงที่มันแสดงตัวอยูนะ่ในทุกลมหายใจและก็ความรู้สึกเนี่ยตัวนี้แหละทีอ่อยู่ไม่นานนี่ยนะจิตมันจะรวมลงเป็นฌานฌานในการเห็นความไม่เที่ยงของกายใจฌานในการได้ข้อสรุปว่า ตัวตนมันไม่มีมีแต่ภาวะที่แสดงความไม่เที่ยงอยู่เราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นสติที่มันผุดขึ้นมานะ เ, าเกิดพุดทธิปัญญาเกิดความเข้าใจจริงๆยิ่งกว่าคนตาดีว่าเอาเอหลงนึกหลงยึดว่าเป็นร่างของเราเป็นลมของเราเป็นความสุขเป็นความทุกข์ของเราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะชั่วคราวมาล่อให้หลงยึดว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตน พอได้ข้อสรุปแบบนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเน่ตรงนั้นไม่ต้องไปเห็นองค์พระตรงนั้นไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาเอาแค่สิ่งที่มีอยู่ที่เป็นหลักฐานความไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนคนหนึ่งนะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้ครับ